ที่ี้นี่มันมีมมีหลายอันนะคะที่บางคนพูดถึงเรื่องกรรมกรรมเก่าอะไรเงี้ยเนี่ยนะคะในในในในกลุ่มพวกเรานี้นะคะมีความเข้าใจเกี่ยวกับพื้นที่แถวนั้นเนี่ยเพราะว่าว่าเป็นของประเทศไทยแล้วถูกทางไปมามาลายูเนี่ยจะมาเอาดินแดนไปหะหรือว่า หรือว่าเคยเป็นเมืองขึ้นของไทยมาก่อนแล้วเขาเจ้าขืนคือคือคือเรมันมีเรื่องเกี่ยวกับประวัติศาสตร์บางอย่างที่คิดว่าคนเนี่ยจะมีความเข้าใจเกี่ยวกับประวัติศาสตร์ไม่ค่อยไม่ค่อยถูกต้องเท่าไหร่นะคะเรื่องเรื่องหนึ่งนะคะเพราะว่าก็อีกอันหนึ่งเนี่ยอาจจะเป็นการต่อสู้ทางวาทะกรรมเพราะว่าถ้าไปที่พื้นที่เนี่ยเขาจะบอกว่า ต่อสู้เพื่อเพื่อเป็นอิสระใช่ไหมคะคือตัวอะอาการเดียวกันเนี่ยนะคะแต่ว่าใช้ใช้คําต่างกันสยามจะใช้คําว่าแบ่งแยกดินแดนใช่ไหมคะเหมือนถูกเฉือนอแผ่นดินของตัวเองไปนะคะแต่ว่าทางรุ่งอาจจะใช้คําว่ารักอิสระก็คือว่าต้องการที่จะเป็นเอกราชเศก็เพราะว่าเขาเคยเป็นเอกราชมาก่อนอย่างนี้นะคะดังนั้น ที่ถ่อยคํา ท, ท, ที่ฉีดสเปย์ที่เห็นอะไรพวกนี้นะคะก็จ ะ, จ ะ, จะพูดเรื่องเรื่อง เ, เอกลักษ์ใช่ไหมคะเรื่อง ก, การกดปล่อยนะคะซึ่งในในในแง่นี้ก็โดยโดยพื้นฐานก็คือว่าเนี่ยขณะนี้ก็คือใช้ใช้ใชวาทกรรมต่างกันแล้วก็ จ, จะเป็นเพราะว่ามองประวัติศาสตร์ต่างกันด้วยนะคะอาการเดียวกันนะคะแต่ว่าเรียกเรียกการกระทํานนั้นเนี่ยไม่ไม่เหมือนกันนะคะ ถ้าเอาถ้าเอาข้อแท้จริงเนี่ยปัตตานีเนี่ยเพิ่เพิ เ, เกิดก่อนสุขโข ท, ทัยไหยหนูพี่อายุมันเนี่ยคือมันเป็นเมืองโบราณมากคิดว่าอายุของมันเนี่ยเพิ่งเพอเก่ากว่าสุขโขทัยนะฮะและถ้านับสยามตั้งแต่สุขโขทัยมาเนี่ยนะคะ ก็ต้องถือว่าตรงนั้นเคยเป็นเมืองอซึ่งเคยมีกราชเป็นของเตี้ยมาก่อนนะคะแล้วก็มาตกเป็นของของสยามแบบแบบชัดเจนจริงๆรเนี่ยตอนรัชกาลที่1 น, นะคะคือก่อนก่อนหน้านั้นจะเป็นคล้ายๆคือเพราะว่า ส, สมัยก่อนเนี่ยยังไม่มันยังไม่มีการขีดขีดเส้นกันอย่างชัดเจนว่าตรงไหนตรงไหนเป็นอะไรคือการการตกลงแผนที่ยังไม่มีมันก็ขึ้นอยู่เพราะว่า ความอะไรล่ะความเจริญใช่ไหมฮะที่ไหนเนี่ยที่มันมันมันกระจายเขาบอกว่ามันจะเหมือนกระแสไฟใช่ไหมฮะเมืองมันก็จะเป็นจุดๆแล้วก็ความความเจริญเนี่ยของแต่ละที่เนี่ยก็จะเหมือนแสงไฟที่มันกระจายออกไปนะคะไปไปสิ้นสุดลงแค่ไหนก็จะเป็นอาจจะเป็นถือว่าเป็นอานาเขตของอของที่นั่นแล้วสมัยก่อนคนก็น้อยกว่านี้ใช่ไหมฮะ ไอ้ไฟแต่ละดวงมันจะไม่ชนกันก็ได้นะคะแต่ว่า ก, ก็มีความสัมพันธ์ลักษณะที่พอมาถึงอยุธยาเนี่ยจะมีการเรื่องส่งดอกไม้เงินดอกไม้ทองกันอยู่นะคะหรือจะเรียกว่าถือว่าเป็นประเทศสลาศใช่หคะแต่ว่าทางปัปตันดีเนี่ยเขาะจะอธิบายเรื่องนี้ว่าในเวลาเดียวกันขณะนั้นเนี่ยอยุธยาก็ส่งดอกไม้เงินดอกไม้ทองให้กับจีนเหมือนกัน นะคะแต่ว่า อ, อ, อายุธยาก็ไม่เคยบอกว่าตัวเองเนี่ยเป็นเบืองขึ้นของจีนนะคะปัตตานีก็คิดแบบเดียวกันนะคะก็คือว่าเขาก็ส่งดอกไม้เงินดอกไม้ทองในฐานะซึ่งเป็นประเทศที่เล็กกว่าส่งไว้เพื่อ <c oughs> เพื่อไม่ให้ประเทศที่ใหญ่กว่าเนี่ยเข้ามารุกลา น, นะค ะ, ะก็บอกว่า ก, การการอธิบายเรื่องนี้ก็เป็น <c oughs> เป็นลนักษณะแบบเดียวกันคือทางทางนู้นเขาก็ไม่ถือว่าเขาเป็น เป็นเมืองขึ้นนะคะแต่ว่าที่ว่าตกเป็นเมืองขึ้นจริงๆตอนสมัยรัชกาลที่หนึ่งนี่คือตอนสงครามเก้าทัพเนี่ยนะคะก็คือส่งไปยึดเลยนะคะแล้วก็แล้วก็แต่งตั้งคนปกครองนะคะอันนี้เนี่ยก็ก็จะมามาชัดเจนเนี่ยตอนนี้ซึ่งหลังจากการที่ยึดมานี่ก็ก็มีการลบมัตตลอดนะคะก็คือก็คือ พ, พยายามที่ก็ ถ้าให้ทันเปรียบเทียบนี่ก็เหมือนกับอยุธยาที่ตกเป็นของเขาม่าอย่างเงี้ยใช่ไหมฮะก็จะมีกลุ่มต่างๆที่พยายามที่จะอ่อะไรนะคะประกาศเองเ อ, งอเ่เอาใช่เมื่อนกันนะฮะ ก, ก็ก็มีลักษณะเดียวกันแต่ว่าที่ที่แล้วมาในในแต่ละครั้งก็แพ้มาทุกครั้งจนกระทั่งจนกระทั่งถึงถึงตอนนี้นะคะอันอันนี้นี่ก็คือในแง่ประวัติศาสตร์เดิมของ ของพื้นที่ที่ที่มีอยู่นะคะเอ่อดังนั้นดังนั้นถ้าถ้าจะพูดว่าแบ่งแยกดินแดนเนี่ยทางรู้เขาอาจจะไม่โอเคก็ได้นะคะไม่อยอมให้พูดเรื่องวัจา้าอ๋อไม่ใช่คืออยากสิ่งที่คนอยากจะรู้ตอนนี้คือสภาพความเป็นจริงในพื้นที่อันนี้อยากจะให้พูพื้นอันนี้ก่อนเพราะว่านี่คือจุดแข็งของคุณนาลี ในแง่ประษัติศา์อาจจะไม่ใช่จุดแข็ง ว, ว่าจุดแข็งคือได้เห็นความจริงในพื้นที่ตรงนี้คนไม่ค่อยได้เห็นเอาจุดแข็งเรามาพูดน่าจะดีกว่าเพราะว่าไม่ค่อยได้มีคนพูดเท่าไหร่คืนที่ที่เริ่มที่เรื่องตรงนี้เนี่ยพวมีคนมาพูดถึงเรื่องกรรมเก่า <c oughs> <c oughs> นะคะซึ่งซึ่งมันก็อาจจะมันจะเป็นเพราะมันมีกรรมเก่าแบบที่ว่ามาเนี่ยจริงๆนะคะมันถึงได้มีเรื่อง แบบจากที่ที่เกิดขึ้นที่นี่อยู่นะคะเออถ้าพูดจะถึงโดยโดยพื้นฐานอุปนิสัยใจคอของคนที่นั่นเนี่ยนะคะอืมถ้าถามจริงๆท่านคิดว่าคนเ่านเป็นคนน่ารักไหมน ะ, ะแล้วก็เหมือนกับออชาวชนบทนะคะที่ที่เรียกว่ายังมีความเจริญเข้าไปเนี่ยน้อยถ้าเทียบกับคนอีสานสมัยก่อนนะคะ คือเห็นคิดว่าคนอีสานสมัยนี้ก็ก็เริ่มสนใจเรื่องผลประโยชน์ค่อนข้างมากนะคะแต่ว่าที่ที่พื้นที่นี้นี่สำหรับชาวบ้านโดยทั่วไปเนี่ยก็ยังค่อนข้างที่จะเป็นคนคนมีน้ำใจนะคะ เ, เราไปทำงานกับเขานี่ประมาณสักสาเดือนนี้ไปเยี่ยมบ้านเนี่ยนะคะปกติก็จะมีธรรมเนียมธรรมเนียมเวลาเยี่ยมบ้านเขาจะเอาน้ำ น้ำตาลทรายไปเยี่ยมนะคะอันนี้เป็นเป็นวัฒนธรรม <c oughs> เราก็เอาน้ำตาลทรายไปเยี่ยมเนี่ยแล้วเวลากลับมานี่จะได้ผลไม้ทุกชนิดนะคะ เ, เต็มรถนะคะบางคุทธลองกองอะไรก็เงาะเงืออะไรก็ว่าไปเนนะเพราะว่าส่วนใหญ่เขาทุกบ้านก็จะมีผลไม้อยู่นะคะนั้นโดยโดยพื้นฐานนิสัยโดยทั่วไปเนี่ยก็ เป็นคนที่ค่อนข้างมีน้ำใจดีนะคะแต่ว่าออต้องรู้สึกว่าเป็นมิรนะคะและปัญหาขณะนี้ในในพื้นที่เนี่ยไอตัวความรุนแรงเนี่ยมันดึงมันดึงความสัมพันธ์ของคนเนี่ยออกจกากกันมันเกิดความความไม่ไว้วางใจกันเนี่ยสูงในทุกประเภทแล้วประเภทที่ที่ค่อนข้างจะรุนแรงเนี่ยก็คือเจ้าหน้าที่รัฐกับประชาชนนะคะแล้วก็เจ้าหน้าที่รัฐกับเจ้าหน้าที่รัฐ นะคะค่ะเพราะว่าตำรวจกับทหารเนี่ยก็อาจจะไม่ไม่ค่อยกินเส้นกันเท่าไหร่แล้วยังในโรงพยาบาลเนี่ยตอนที่เกิดเหตุตักใบเนี่ยเคยเคยไปเยี่ยมคนไข้แล้วก็มาถามพยาบาลเกี่ยวกับเกี่ยวกับสุขภาพของคนไข้คือตัวนี้ที่ถามเลยนะคะพยาบาลถามบอกว่าคุณเป็นใครคือเราถามว่าคนไข้เนี่ย มีอาการเป็นยังไงต้องรักษาระยะยาวหรือไม่ยังไงเพราะว่าเขาต้องต้องล้างไตอะไพวกนี้นะคะคือเราก็อยากจะรู้เรื่องเรื่องสุขภาพเขาเนี่ยพยาบาลถามว่าคุณเป็นใครเป็นยาดกับคนไข้หรือเปล่า <Yeah. S 1> ซึ่งเขาเห็นหน้าเราก็รู้อยู่แล้วว่าเราไม่ใช่ยาดกลดไข้แต่ถามคําถามนี้เนี่ย <Yeah. S 1> เพื่อไม่ให้ <Yeah. S 1> เพื่อไม่ให้เราถามต่อไปนึกออกไหมคะเพราะว่าเขาไม่อยากต่อคําถามแล้วก็แบบมีความไม่ไม่ค่อยจะไว้วางใจใครเท่าไหร่นะคะ นั้นความไม่ไว้วางใจในในพื้นที่เนี่ยนะคะเจ้าหน้าที่กับเจ้าหน้าที่เนี่ยจะค่อนข้างมีเยอะนะคะแล้วก็เจ้าหน้าที่รัฐกับชาวบ้านนี่ห่างกันไปเลยแต่ว่าระหว่างชาวบ้านกับชาวบ้านเนี่ยก็จะมีเป็นเป็นหยอมหยองไปคือหมายถึงส่วนที่มีความสัมพันธ์ดีนะคะก็ ก, ก็ก็ยังดีอยู่แต่ว่าก็จะมีบางบางส่วนเหมือนกันที่อ่าที่เขาเขาเรียกว่าคือชาวบ้านเขาก็บอกว่า บางส่วนก็จะใกล้ชิดกับเจ้าหน้าที่รัฐอย่างเนี้ยนะคะเขาก็บอกว่าที่มีการจับกลุ่มอะไรกันเนี่ยบางคนที่คนเขาบอกงี้คนที่คนที่ชี้เนี่ยไม่รู้คนที่รู้น่ยไม่ชี้เ <c> ข <oughs> ้าใจไหมฮะคนที่รู้ไม่ชี้เนี่ยเพราะว่ากลัวเรื่องความปลอดภัยของตัวเองเพราะว่ารัฐเนี่ยคือไ ม, คอไม่คือไม่สามารถปกป้องความปลอดภัยของเขาได้นะคะเขาก็ไม่พูด ะะส่วนคนที่ชี้แล้วไม่รู้เนี่ยปัญหาที่ตามมาก็คือว่าทำให้เกิดการจับจับแบบไม่นะแบบอาจจะไม่เจอกับตัวจริงนะฮะเพราะว่าปัญหาหนึ่งที่ที่เราที่มีการพูดกันบอกว่ามันมีความไม่ไม่เป็นธรรมในพื้นที่เนี่ยเถ้าตัวรูปธรรมนะคะที่มันเกิดขึ้นก็คือว่ามันมีการจับปุ่มแบบ แบบว่าเกิดเหตุที่หนึ่งแล้วก็ไปจับอีกที่นึงอะค่ะคือความผิดประเภทความผิดซึ่งหน้าเนี่ยคืออย่างเหมือนวัดพรมประสิทธิ์เนี่ยนะคะเหตุเนี่ยเกิดวันที่พอขณะเหตุเกิดปุ๊บเนี่ยเจ้าวาดโทรไปเรียกเจ้าหน้าที่เนี่ยเจ้าเจ้าหน้าที่ไม่เข้ามาเข้ามาหลังจากนั้นสามสินาทีซึ่งปฏิบัติการอะไรไปเสร็จเรียบร้อยแล้วแล้วก็ไอ้เจ้าพวกนี้ก็วิ่งหนีไปหมดแล้วเนี่ยนะคะแล้วก็ มีเหตุจํานวนมากที่มีลักษณะเป็นแบบนี้เพราะว่าเจ้าหน้าที่ไม่ไม่กล้าเข้าเข้าไปในพื้นที่นะคะเพราะว่ามันก็มีเขาถ้าเกิดถามด้วยที่ว่าทําไมถึงไม่กล้าเข้าไปเนี่ยเขาก็จะมีประวัติศาสตร์เรื่องโจร น, นินจานเรื่องอะไรต่ายซึ่งเจ้าหน้าที่เคยถูกร้อมแล้วก็ถูกทาลายอะไรอย่างเงี้ยนะคะเพราะฉะนั้นแต่ปัญหาหนึ่งก็คือว่าพอหลายคนนั้นก็จะเป็นจับนะคะขณะนี้มีคนถูกจับเป็นร้อยนะคะในในพื้นที่เนี่ยนะคะซึ่ง มีน้อยมีน้อยมากที่เป็นการถูกจับโดยโดยซึ่งหน้าก็คือว่าเเห็นๆกันว่ากระทาการแล้วก็จับมีน้อยกว่านะคะคนจานํานวนมากถูกจับหลังจากนั้นนะคะมีคดีที่โรงเรียนเผาโรงเรียนตาตาตาแป๊เนี่ยนะค ะ, ะติดคุกอยู่สองปี8เดือนแล้วก็ปล่อยเพราะว่าหลักฐานอ่อนนะคะแล้วก็แล้วก็ยังมีคดีแบบนี้อยู่อีกเยอะแยะ นะคะคนที่คนที่ถูกจับกรณีตักไปเนี่ยนะคะห้าสิบปดคนแล้วก็ข น, ขนาดนี้ปล่อยไปใช่ไหมแล้วเขาก็จะมีญาติของเขาเนี่ยอยู่จํานวนหนึ่งเนี่ยนะคะขณะเนี้ยคือขณะทพึ่งเพิ่งพึง่งกลับมาเนี่ยก็จะมีพวกขณะนี้เขามีการฟ้องฟ้องฟอง้ฟองกลับนะคะหาฟ้องฟ้องรัฐแพ่งนะคะเดี๋ยวเดี๋ยวค่อยเล่าให้ฟังว่าทําไมเขาเขาถึงเขาฟ้องนะคะ แต่คนที่มาที่มาฟ้องเนี่ยญาติพี่น้องก็ถูกจับในคดีอื่นเป็นคดีแบบว่าไปยิงคนแบบนี้ค่ะเนี่ ย, ยขณะนี้เนี่ยมีพวก ผ, ผู้นำผู้หญิงเนี่ยนะคะที่ในพื้นที่เนี่ยถูกจับเอ้ยมคือไม่ใช่ญาติของเขาคือหลานเขาเลยพวกนี้นะคะถูกจับสองหลายหลังจากที่ที่มีการฟ้ อ, ฟองฟ้องแพ่งนะคะ แล้วเรื่องที่เอาโอเคไหนไหนพูดเรื่องนี้นะคะเรื่องเรื่องฟ้องแพ่งกรณีตากใบเนี่ยบางเพื่ก็บอกว่าได้ไปตั้งสามแสนซึ่งที่จริงถ้ากดวคนตามเรื่องนี้ดีก็ได้ไปสี่แสนนะคะใช่ไหมคะพอเกิดเหตุหลังเกิดเหตุปุ๊บเนี่ยรัฐบาลรีบจ่ายเพื่อลดกระแส น, นะคะแสนหนึ่งแล้วก็จ่ายอีกครั้งหนึ่งอย่างสามแสนนะคะเมื่อต้นต้นปีที่แล้วเ อ, อแต่เรื่องมันเป็นแบบนี้ค่ะไอ้เงินที่ให้ไปสี่สี่แสนเนี่ยไอ้แสนแรกที่ได้ไปเนี่ย ก็จะได้รับคำแนะนำว่าควรที่จะไปทํฮาร์ให้กับผู้ตาย<ม>ซึ่งการฝากไปทํฮาร์ให้กับผู้ตายก็จะต้องใช้เงินเนี่ยประมาณสักสามหืนะะแล้วก็ถ้าไปเองก็ต้องก็ต้องใช้เงินแสนหนึ่งนะะคือมายถึงถ้าฝากคนอื่นไปเนี่ยแต่บางบางครั้งเาก็ก็ไม่อยากฝากคนอื่นไปก็ไปทาเองเนี่ยนะะ เ, เสร็จแล้วเนี่ยไอ้ไอ้ตอนจ่าย3 0 0 0 0นเนี่ยตัวภรรยาของผู้ตายจริงๆจะได้3 7 คือเขาแบ่งตามตามมรดกคือให้ให้พ่อห้าหมื่นให้แม่ห้าหมืนนะคะให้ภรรยาสามื่นเจ็ดที่เหลือหารเท่ากับจำนวนลูกนะคะอันลูกแล้วก็ลูกก็จะเยอะมากนะคะถ้ามีสี่สี่ถึงเก้าคนนี่เป็นแบบเฉลี่ยนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยจริงๆก็คือว่าตัวภรรยายเองเนี่ยได้ได้เงินจากไอ้สามแสนนั้นไปแค่สามืนเจ็ดนะคะเอ่อ ทีนี้เขาต้องมาฟ้องเพราะว่ามันอะไรอะอย่างที่บอกอันนี้ส่วนนึ่งก็คือเขาได้น้อยเลีกอันนี้ก็คือว่าถ้าเขาไม่ฟ้องในหนึ่งปีเนี่ยจะหมดอายุความนะคะคือถ้าฟ้องไปก่อนแล้วตัดสินใจถอนฟ้องทีหลังก็อีกเรื่องหนึ่งแต่ว่าถ้าคุณไม่ฟ้องครบหนึ่งปีก็จะหมดสิทธิ์นะคะเขาก็เลยฟ้องไว้นะคะอันนี้ก็เรื่องหนึ่งถ้าพูดกันถึงขนาดนี้เนี่ย ความรับรู้ของคนทางนี้เนี่ยเวลาที่เกิดเรื่องอย่างว่าที่บอกว่าเรารู้สึกว่าความแรงมันเพิ่มขึ้นจนรู้สึกรับไม่ได้เนี่ยความรู้สึกของเราเราจะรู้สึกว่ากลุ่มที่ทําเนี่ยคือคือประชาชนใช่ไหมคะไม่ใช่อาอันนี้เนี่ยนี่ก็จะเป็นปัญหาในขณะที่คนข้างนอกเนี่ยคิดว่าเป็นประชาชนคือคือเช่นทอปใช้คําว่าประชาชนไว้เพื่อที่ว่าในนั้นอาจจะประกอบด้วยด้วยหลายส่วนใช่ไหมคะ ผู้มีอิทธิพลนี่แหละจะบอกว่าเป็นประชาชนหรือป่าหรือว่าเป็นความขัดแย้งส่วนบุคคลอะไรพวกนี้ก็ถือว่าเป็นประชาชนนะคะแต่ว่าขณะนี้กระแสมันจะขึ้นมาเหมือนกับว่าเป็นโจนแบ่งแยกดินแดนเป็นเป็นอะไรนะคะเป็นตัวหลักใช่ไหมคะแต่ว่าคนในพื้นที่เนี่ยเขาเขาก็เห็นเหตุการณ์เหมือนกับเราเนี่ยแต่เขาเข้าใจว่าเหตุการณ์เกือบเกือบจะทุกเหตุการณ์เนี่ยเป็นการกระทําของเจ้าหน้าที่รัฐทั้งนั้นนะคะค่ะ แม้แม้แต่ เ, เรื่องเรื่องเรื่องก้าวศเนี่ยนะคะล่าที่ที่ที่ล่าสุดเนี่ยที่มีเด็กเสียชีวิต8คนเนี่ยนะะชั้นก็ยังเชื่อว่าเป็นเจ้าหน้าที่รัฐนะะ เ, เพราะเนาะขณะที่เกิดเหตุมีคนได้ยินเสียงวอได้ยินเสียงมือไอไอตัววิทยุแล้วก็ไอไอไอตัวระเบิดเนี่ยเป็นแบบเป็นแบบกด ซึ่งเขาเขาเาคิดว่าไอ้เทคโนโลยีนี้เนี่ยในแง่ของประชาชนไม่น่าไม่น่าจะมีอะไรแบบนี้นะคะหรือการที่การที่รัฐออกมาชี้แจงเรื่องนี้เร็วแบบไม่สอบสวนจำได้ไหมคะพอเหตุเกิดปุ๊บเนี่ยภายในวันนั้นเนี่ยรัฐอธิบายเลยว่าเป็นข้างนู้นเนี่ยเขามาทำเพราะว่าบ้านนั้นเนี่ยหักหลักใช่ไหมคะคือว่าเคยอยู่กับข้างนู้นแล้วก็พอมาเป็นเป็นมามามาเข้ากับรัฐก็เลยถูกอ่า ถูกทําแบบนี้อี น, นี้ไอการให้ข่าวเร็วแบบนี้เนี่ยมันก็เป็นที่สงสัยของชาวบ้านเหมือนกันว่าไอคุณยังไ ม, ยงไม่ยังไม่ทันสอบเลยแต่ว่าทําไมถึงได้ถึงได้ประกาศออกมาแบบนี้นะคะเพราะมันเพราะก่อนหน้านั้นมันจะมีข่าวสองข่าวนะคะคือข่าวที่มีการล้อมล้อมนักข่าวใช่ไหมค ะ, ะแล้วก็แล้วก็ปิดกั้นไม่ให้เจ้าหน้าที่เข้านะอันนี้กรณีกางศพเนี่ย น, นะคะแต่สองข่าวนี้ไม่ไม่ไ ม, ไม่ไม่เป็นความจริงอันนี้เรื่องนี้ชาวบ้านเขาก็รู้ เพอข่าวสองข่าวนี้มันไม่เป็นความจริงทุบแล้วคุณอธิบายเร็วเนี่ยเขาก็เลยอธิบายว่าคุณสร้างสถานการณ์เนี้ยเพื่อที่จะพูดแบบเนี้ยนึกออกไหมคะคือตัวสถานการณ์จริงๆไม่ยังไม่รู้ว่าใครทํานะคะแต่เนื่องจากไอ้ไอการทําหลังจากนั้นของรัฐที่ทําออกมาเนี่ยนะคะมันก็ทําให้เขาเขาเข า, เขาไม่วางใจนะคะดังนั้นไปไปสัมภาษณ์คนที่เขาอยู่ที่นั่นเนี่ยนะคะที่ที่เข า, เาโดนระเบิดเองอะ่ะ บอกว่าเขาเชื่อไหมเพราะว่ารัฐเนี่ยกำลังไปจับอี ก, อ ก, อกหมู่บ้านหนึ่งที่อยู่ข้างเคียงแล้วก็บอกว่าหมู่บ้านนั้นเป็นคนทําหมู่บ้านนี้ใช่ไหมคะ mm hmm. เขาบอกว่าเขาก็เคยไปที่นั่นนะคะคนที่ถูกจับเขาไม่รู้จักแต่ว่าเขาไม่เชื่อว่าคนพวกนั้นเนี่ยจะมาทําเขา <Yeah. S 1> นะะอันนี้ถามคนที่โดนระเบิดเองนะ <Yeah. S 1> นะคะ When? เพราะฉะนั้นขนาดว่าคนที่เป็นผู้สบเหตุเองเนี่ยคิดอย่างนี้ใช่ไหมคะดังนั้นคนซึ่งอยู่แวดล้อมเข้าไปหาไปเนี่ย ยิ่งไม่เชื่อนะทา ก, ก็เชื่อ่ทั้งหมดเนเจ้าหน้าที่รักธรรมนะคะมีมีหลายกรณีเหมือนกันที่ที่ที่เป็นฝ่ายากลุ่มก่อการเนี่ยทํนี่นะคะเพราะมันมีเป็ น, เ ป, นเป็นแผนปิวออกมานะคะอย่างเช่นาการการตายแถวแถวปาณเล น, นะฮะหลังหลังและก่อนกรณีวัดพุมธศิษิ์เนี่ยนะคะจะมีจะมีคนที่ที่ถูก ถูกบาดคอหรืออะไรเงี้ยนะคะจะมีแผนปิวบอกว่ามึงฆ่าผู้บริสุทธิ์ของกูซึ่งซึ่งหมายถึงตันหยงลีมอนะคะมึงฆ่าผู้บริสุทธิ์ของกูกูก็จะฆ่าผู้บริสุทธิ์ของมึงอะไรแบบเนี้ยอย่างงี้นี่ก็คือเขาประกาศว่าอันเนี้ยเขาทำแต่กรณีตันหยงลีมอนเนี่ยเอ้ยเป็นกรณีของออบอ ง, งอเนี่ยนะคะก็มีแผนปิวออกมาเหมือนกันซึ่งแผนปิวเนี่ยปฏิเสธการการถาอันนี้นะคะเพราะฉะนั้น เขาก็สำหรับชาวบ้านเนี่ยเขาก็เชื่อว่าอันไหนอันไหนที่เขาทําเขาบอกแต่ถ้าอันไหนไม่ทำเขาก็เขาก็บอกว่าเขาไม่ได้ทําอะไรแบบนี้เะฉะนั้นถามว่ามีกลุ่มอย่างแย้จริงป่ะกลุ่มกระบวนการเน่จริงหรือไม่เนี่ยก็มีนะคะเพียงเพียงแต่ว่าปริมาณจะมากน้อยแค่ไหนแล้วก็ทุกทุกเคสที่เกิดขึ้นเนี่ยจะใช่เป็นกรณีนี้ทั้งหมดหรือไม่เนี่ยอันนี้นี่ต้องต้องจําแนกแจกแจง นะฮะอือก็ก็เป็นปัญหาก็เป็นปัญหาทั้งหลายเราบริโภคสื่อฉะนั้นตลาดเลยคนคิดว่าฟังแล้วไม่แน่ใจเราก็เ hey, ริ่มไม่แน่ใจเองเหมือนกันนะว่าเอ๊ะมันมันไงอือฮ้เพราะว่าอยามีเพื่อน คืออย่างอย่างเรื่องการปฏิบัติโดยไม่เป็นธรรมของของเจ้าหน้าที่รัฐเนี่ยมันยังมีเรื่องการอุ้มฆ่านะคะคือคนหายหายตัวไปจากบ้านแล้วก็ต่อมาก็กลายเป็นศพะหรือว่าหายไปเลยอย่างเงี้ยนะคะก็มีอยู่ด้วยนะคะคือมันจะมีหนักตอนหลังสี่สีมกราหลังป้นปืนนะคะตอนนั้นตอนนั้นจะมีแล้วแล้วก็ช่วงที่มีการปราบยานะคะที่ที่มีน นโยบายแาบยาออกมาเนี่ยก็จะมีคนที่หายไปนะคะแต่แต่ตอนหลังมาเนี่ยนะคะมันเหมือนคือก็มีข่าวออกมาใช่มไหมฮะแล้วก็ทางการก็สั่งลงไปว่าห้ามห้ามอุ้มฆ่านะคะก็มีการหยุดการพักนึ่งนะคะอยู่เหมือนกันนะคะแต่ว่าตอนนี้ก็มีนะคะตามตามที่ที่รายงานนะคะตอนนี้ตอนนี้รัฐกลับมาใช้กำลัง ามากขึ้นถ้าเกิดคุณคุณตามข่าวมันจะมีช่วงหนึ่งที่หยุดนะคะคือช่วงที่ตั้งกรรมการสมาชิันใหม่ๆเนี่ยตอนนั้นเนี่ยนะฮะสภาพจะค่อนข้างดีประชาชนในพื้นที่ก็จะจะรู้สึกคลี่คลายนะฮะพอสมควรแต่ว่าพอหลังหลังปนเละ น, นะหลังวัดพมประสิทธิ์เนี่ยใช่ไหมคะที่รัฐเริ่มใช้กำลังกลับมาอีกครั้งหนึ่งแล้วก็แล้วก็ตอนวันนี้เนี่ยคือถ้า ก่อนนี้ก่อนที่จะกลับมาเนี่ยอยู่ในพื้นที่เนี่ยมีข่าวสื่อกับพื้นที่มันแย่ลงนะแต่พอกลับมาที่นี่เนี่ยร้านให้ข่าวว่าขณะนี้เนี่ยสถานการณ์ดีขึ้นซึ่งไม่ใช่เลยที่ทุ่เนี่ยตอนก่อนกลับมาเนี่ยเจาไอล้องเนี่ยประทักันกลางวันนะสมัยก่อนมีการประทักันกลางคืนใช่ไหมคะแต่ตอนนี้เนี่ยประทะกลางวันซึ่งซึ่งซึ่งไม่ใช่ พอหรือยังคะอจารย์่ะอย่างที่ตอนนี้อาจารย์ที่ประมาณเนแล้วค่ะตอนนี้เแล้วนะวอาจารย์วิเคราะห์ดูแล้วว่าถ้าเกิดจากเจ้าหที่งัถือว่าของทั้งสองฝ่ายคือคือคืออย่างนี้ดันฟังจากไอ้นี้ด้วยนะคะพอดีพอดีในฐานะที่เป็นกำกังสำนักงานเนี่ยก็ฟังคือหมายถึงว่าจะมีเจ้าหน้าที่เข้ามาคุยกับเราแล้วก็คุยคุยกันอะไรเงี้ยนะคะก็จะมีบางส่วนที่พูด พูดชัดเลยนะนะบอกว่าออมันมีมันมีเคสที่แบบว่ามีการประทะกันนะคะแล้วเจ้าหน้าที่เนี่ยสองคนตายคนหนึ่งและเขาจำหน้าคนที่ยิงเขาได้นะคะก็จับคนเนี้นะคะแต่เนื่องจากว่าพยานเนี่ยมีแค่เขากับคู่กรณีนะคะกรณีนี้ศาลปล่อย เขาเลนะฮะเขาบอกว่าขบวนการยุต really mm ิธรรมพึ่งไม่ได้คือวิธีคิดเวลาที่คนใช้ขาอแรงเนี่ยทั้งสองฝ่ายคิดเหมือนกันนะฮะเจ้าหน้าที่รัฐก็คิดว่าขบวนการยุติธรรมพึ่งไม่ได้แล้วก็จัดการเองชาวบ้านก็ก็คิดแบบเดียวกันพูดถึงฐานการตัดสินใจเนี่ยเหมือนกันเลยอ่าใชุดเหมือนันนีแบบนี้มันจะมีเทคโนโลยีอะไรที่มที่มาจับตัวในอย่างเช่นการติดกล้องวิดีโอมันทั้งเมืองเลยอ่ะ ว่าเอ๊ใครทำเนี่ยมันก็จะเห็นภาพหรืออะไรอย่างเงี้ยนะว่าจะได้เห็นออเนี่ยนะเป็นเนี้ยจริงๆคือเห็นกันจ่าจ่ะว่าเรียกว่าคนเนี้ยทำนะจะได้จะได้จมอจําได้เปล่าที่มีมีระเบิดที่นาลาทิวาอ่าวันหยุดเน่ะที่สวนสาธารณะแล้วก็บอกว่ากล้องอระติดแล้วแต่ว่าไม่เปิดประหยัดนี่ว่าประหยัดพลังงาน ก็เป็นปัญหาอยู่ไงฮะคือเป็นข้อหอื่นที่กอสอเสนอเลยนะคะคือมันจะเป็นความชอบธรรมของของรัฐาเองที่จะไปจับใครเงี้ยนะว่าเออคนนี้นับมายิงคนนี้นะมันจะได้มีภาพออกมาเห็นว่าโอเคว่ามีการกระทําที่เป็นจริงว่าใครทํากับใครอะไรเงี้ย <S <S เรื่องเรื่องที่เราเสนอไปแรกๆตอนนี้ก็คือว่าเขาต้องพยายามจําแนกคดีให้ได้คือว่าอย่าเหมารวมเพราะว่า ยิ่งเหมารวมจะยิ่งเป็นปัญหามากเพราะว่าถ้าเกิดคุณเหมารวมมากเท่าไหร่เนี่ยพวกโชยโอกาสเนี่ยนะคะจะมีมากขึ้นเพราะว่าใครๆก็คิดว่าถ้าถ้าเกิดรัฐรัฐแสดงท่าทีว่าเชื่อว่าทุกเคสเนี่ยเป็นแบ่งแยกดินแดนเป็นเป็นโจวแบ่งแดินแดนเนี่ยพวกประเภทส่วนตัวเนี่ยเขาก็จะมาทํากันตอนนี้แหละใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นท่าทีของรัฐในเรื่องนี้จริงๆเนี่ยก็คือว่าควรจะต้องจําแนกเรื่องต่างๆแล้วก็ต้องทําคดีแบบแบแบเคลียร์เป็นธรรมอะไรง การตระชั้นเป็นการขอ ง, องรัฐชไมไม่ใช่ไม่ใชเป็นกรรมการอิสระแต่งตั้งโดยรับจะถามว่าอย่างกรรมการตระลึกชเนี่ยที่อาจารย์อยู่ใระบบใไถ้าเห็นว่าทีมของรัฐรแรงทีมของโจนหรือของงนั้นก็รุนแรเหมือนกันอาจารย์ตรงนี้จะทำไงให้ทุกอย่างมันคนได้เจ้าหน้าที่รัฐที่ใช้สันติวิธีเนี่ยมีนะคะในพื้นที่เนี่ยคือไม่ใช่ไม <mond ante. S 1> <Let> ่มีนะคะ แต่ตอนนี้หลายหน่วยถูกถอนออกหลังจากตุลาตุลาคมปีนี้นะคะคือช่วงที่สมานิชัยเข้าไปออตอนตอนเดือนเมษานะคะก็มีการปรับยุทธศาสตร์นะคะจากจากการที่แบบว่าจับปราบอะไรกันนี้นะคะก็ปรับยุทธศาสตร์มาเป็นเอาชนะใจประชาชนตอนที่เอาเอาชนะใจประชาชนนี่ก็จะมีหน่วยหลายหน่วยนะคะที่จะเข้ า, าทํางานในพื้นที่เป็นงานพัฒนา ซึ่งหน่วยพวกนี้นี่ที่ทำงานอยู่เนี่ยได้รับการยอมรับจากชาวบ้านนะคะชาวบ้านบอกว่านี่อยากให้ทหารเป็นแบบนี้นะคะเพราะว่าเพราะว่าถ้าถ้าเกิดทหารเอาวันๆหนึ่งก <Tamam. S 2> ็ถือปืนเข้ามาในหมู่บ้านเนี่ยเขาาเกลาไม่รู้สึกเขาถูกป้องกันนะคะ <Sí. S 1> เขารู้สึกว่าถูกคุกคามค่ะแต่ว่าสําหรับที่ทหารที่ทํางานพัฒนานเนี่ย s <S <uden> เขายอมรับแล้วก็เขายังต้องการให้คนพวกนี้อยู่แต่ว่าตุลาที่ผ่านมาเนี่ยนะคะก็ก็ถูกย้ายออกนะคะ แล้วกรณีของนาวิกโยธินนะคะเป็นความรุนแรงหรือว่าเป็นใครตีใครตีหัวใครไม่ว่าใครตีก็รุนแรงทั้งนั้นนะใช่ไหมคะอันนี้อันนี้อันนี้จะถามอะไรอะไรนะคะเออถ้าเกิดถ้าเกิดว่าตันหยงริมอจริงๆเนี่ยถ้าถามดิฉันเนี่ยนะคะเออ พอดีว่าหลังจะเกิดเหตุเนี่ยก็เข้าไปเจอกับชาวบ้านที่นั่นแล้วก็สัมภาษณ์ว่ามันเกิดอะไรขึ้นอะไรเงี้ยนี่นะคะฟังดูแล้วถ้าเราวิเคราะห์กันตามอะไรนะคะตามตามทฤษฎีของเราเนี่ยเรื่องนี้มันเกิดจากความความกลัวกันและกันนะคะนะคะถ้าถ้าดูกันช็อตช็อตต่อช็อตเนี่ยนะคะคือที่ตามหนังสือพิมพ์จะบอกว่าเป็นวางแผนเอ่อ อะไรอย่างนี้นะแต่ว่าถ้าถามนี่เท่าที่สัมภาษณ์กับชาวบ้านเนี่ยคือพื้นที่ตันหยงลิ่มอเนี่ยเป็นพื้นที่ที่เจ้าหน้าที่รัฐเนี่ยขีดแดงนะคะแล้วก็มีความหวาดระแวงพื้นที่นี้เนี่ยนะคะค่อนข้างมากอันนี้อยู่เป็นโดยพื้นฐานนะคะแล้วก็ในในเขตนั้นเนี่ยในเขตตันหยงลิ่มอเองเนี่ยมีชุมชนพุทธแล้วก็ชุมชนของมุสลิมเนี่ยอยู่ใกล้ใกล้เคียงกันเนี่ยนะคะระหว่างชุมชนก็ ก็จะมีความระแวงกันอยู่นะคะก่อนหน้า น, นั้นประมาณเดือนหนึ่งก็มีชุมชนชาพุทธเนี่ยก็ยังเคยปิดถนนกับไม่ให้นักข่าวออกจพื้นที่นะคะนักข่าวไปถ่ายรูปอะไรพวกเนี้ยนะคะคือ น, นี่อันนี้คือที่เล่าเป็นพื้นนี้เพื่อให้เห็นว่าพื้นที่มันมีลักษณะแบบนี้อยู่นะคะคือความรู้สึกไม่ไม่ไว้วางใจกันและกันเนี่ยอยู่เป็นพื้นนะคะคื น, นี้พอเกิดเหตุเนี่ย มีการยิงที่ร้านน้ําชานะคะเริ่มเริ่มต้นจากการยิงกัดร้านน้าชาปุ๊บเนี่ยเขาบอกว่าภายใน5นาทีเจ้าหน้าที่รัดเข้ามาซึ่งเป็นอาการที่ผิดวิสัยปกติมันต้องเป็นแบบวัดพรมประสิทธิ์คือโทรไปแล้วก็ไม่มานึกออกไหมฮะแต่อันนี้เนี่ยชาวบ้านรู้สึกว่ามันผิดปกติพอเจ้าหน้าที่รัดเข้ามาเร็วเนี่ยแล้วเส้นทางที่เข้ากับเส้นทางที่รถออกมันมันสวนกันด้วยนะคะเขาก็เลยเคาะ ข้อกรอกนะคะเรียกเรียกชาวบ้านมาเพื่อที่จ ะ, ะคือทางทางการนี่ก็บอกว่าก็คือมาเก็บหลักฐานคือว่าพอเกิดเหตุปุ๊บก็เข้ามาเก็บหลักฐานใช่ไหมฮ ะ, ะทางฝ่ายชาวบ้านก็คือเอาคิดว่าจะาชาวบ้านม า, มามามาเป็นพยานแต่ว่าเนื่องจากความกลัวของเจ้าหน้าที่รักเนี่ยได้ยินว่าชาวได้ยินเสียงข้อกรอกอะค่ะก็คิดว่าชาวบ้านจะลุมก็เลยรีบขับรถหนี ออกมาชาวบ้านบอกว่าถ้าหนีแสดงว่ามีพี่รุษเขาบอกว่าเป็นเจ้าหน้าที่หนีทําไมจะจะจะหนีทําไมนะคะแล้วก็ชาวบ้านก็ไม่มีอะไรนะคะมีมีมีแต่มือนะคะเจ้าหน้าที่รัฐมีปืนทุกคนนะคะทําไมต้องหนีถ้าหนีแปลว่าเนี่ยสงสัยยิงสงสัยยิงร้านน้าชานี่แหละ mm hmm. เขาก็เลยกักตัวไว้นะคะ คือที่จริงเจ้าหน้าที่ที่เข้าไปเนี่ยมีมีมากกว่า2คนจะมีรถอีกประมาณ3ามคันนะคะก็คือเข้าเข้าไปถ้าเกิดตามฝ่ายเจ้าหน้าที่รัฐบอกก็คือเข้าเข้าไปตรวจที่เกิดเหตุไปเก็บหลักฐานจากการยิงที่ร้านน้ําชานั้นนะคะแต่พอออกมาเร็วปุ๊บชาวบ้านตีความการหนีไอ้ตีตีความการรีบรุดทพราะความกลัวของเอจ้าหน้าที่รัฐเนี่ยว่าเป็นการหนีก็เลยจับนะคะ มีส่วนหนึ่งออกไปได้เหลือแค่สองคนพอดีรถคันนี้มัสตาร์ทไม่ติดนะคะ ก, ก็เลยก็เลยกัก2ตัวคนน e ี้ไว้นะคะ เ, เหตุเกิดประมาณประมาณสองทุ่มได้นะคะหลังละหมาดหลังหลังละหมาดเย็นเขาก็มากินน้าชากันแล้วก็ถูกยิงตอนนั้นนะคนะั้น ก, ก็ตกประมาณ2ทุ่มแล้วก็เาก็กักตัว2คนน e ี้ไว้ที่จริงทางการก็รู้ตั้งแต่ตอนนั้นแล้วแล้วก็ขอเจรจาตัตกลางคืน ก็ท้งนี้เขาบอกกลาคืนจะคุยกันเลยคุยกันคืนแล้วเดี๋ยวมีเรื่องก็เลยเ อ, เ, อเอาเอาเอาตัวไว้ว่าคุยเช้าซึ่งตอนเช้าประมาณสักหกโมงเช้าผู้ว่าก็เข้าไปนะคะเข้าเข้าเข้าไปถึงถึงตรงจุดที่ศาลาที่เขาเอามัดตัวอสองสองนายอยาไว้นะคะแล้วก็เนี่ยพวกรู้สึกจะมีอย่างอย่างตามที่เทราบน่าจะมีสามคนก็คือมีคุณนัทรุดินแล้วก็มีอีกคนหนึ่งก็คือเป็นล่ามเป็นนักข่าว นะคะก็เข้าไปถึงบริเวณนั้นนะะแล้วก็ยังมีการแบบพูดคุยกันชาวบ้านก็ยังบอกว่าผู้ว่าเนี่ยยังบอกว่าให้เอาเงินเนี่ยไปซื้อไปซื้อของมามาหูงหาอาหารกินกันเพราะเข้าใจว่าผู้ว่าอาจจะต้องการให้ให้ลดลดความตึงเครียดนะะระหว่างเจ้าหน้าที่รัฐกับกับชาวบ้านอะไรเงี้ยนะคะ แล้วก็หลังจากนั้นเนี่ยคือบดีพระเทพเสด็จแล้วก็ผู้ว่าหนึ่งจะต้องต้องมารับเสด็จแล้วก็เลยส่งคุณพิเช่พี่สัยจอเนี่ยลงไปเจราจาแทนนะฮะชาวบ้านเนี่ยขอให้ขอให้มีการเจราจาต่อหน้านักข่าวมามาเลเซียยังก็ถามบอกว่าทําไมถึงต้องเป็นนักข่าวมาเลเซีย <Yeah. S 2> เขาบอกว่านักข่าวไทยเนี่ยนะพูดอย่างหนึ่งไปออกอย่างหนึ่งใส่ใส่สีใส่ไข่เขาไม่ยอมรับก็ต้องการนักข่าวที่ที่เป็น ของของมาเลเเพราะว่าเวลาที่เกิดเหตุอะไรในประเทศไทยอย่างเช่นกรณีตาา่ากใบหรืออะไรเนี่ยเขก็เห็นว่าข่าวทางนู้นน่ยจริงแต่ข่าวทางนี้เ่ยเท็จอะไรเงี้ยนะคะแล้ว เ, เขาก็ไปหาไปตามตูวนักข่าวมานะคะนักข่าวยังมาไม่ถึงไงตอนนั้นนั่เกือบๆจะถึงอยู่แล้วล่ะก็มีตอนละหมาดบ่ายนะคะตอนช่วงละหมาดบ่ายเนี่ยชาวบ้านบอกว่ามีเสียงโฟนจากมาสัสยิดเนี่ยบอกว่า ทหารเนี่ยกำลังจะเข้ามาเข้าเข้าโจมตีหมู่บ้านให้พวกผู้หญิงเนี่ยที่ที่ล้อมตัวอาคารเนี่ยไปไปไปไปกั้นไปกั้นพวกทหารที่จะเข้ามาเพราะว่ามันจะมีคนอยู่2 ส, ส่วนนะคะคือส่วนหนึ่งปิดทางเข้านะคะแล้วก็อีกส่วนหนึ่งล้อมตัวอาคารนั้นนะเอาไว้นะคะพอผู้หญิงออกจากตัวอาคารเนี่ยค่ะก็มีการเข้าไปทําร้ายอาสองนา อ, อ่อนนะคะ พอผู้หญิงเหล่านี้กลับมาเนี่ยรู้ว่าสองนยอยรตายเนี่ยนะคะการชุมนุมเนี่ยก็สลายตัวเห็นไหมคะถ้าถ้าเกิดคนดูข่าวตอนช่วงนั้นใช่ไหมคะแล้วก็ทางนี้เนี่ยเห็นเห็นความผิดปกติของชาวบ้านเนี่ยนะคะก็เลยเข้าไปซึ่งตอนเข้าเข้าไปนี่ก็ไม่ได้มีการขัดขวางอะไรนะคะก็ไปเอาตัวสองนยร์มาซึ่งขนาดนี้นก็เสียชีวิตเพิ่งเพิ่งเพิ่งเพิ่งจะเสียชีวิตประมาณสักบ่ายสองคึ่งนะคะออกไปข้างนอกแล้วก็ เรานี่เข้าไปถึงประมาณบ่ายสาครึ่งหลังจากนั้นชั่วโมงหนึ่งนะฮะทุกทุกอย่างเงียบกริบไม่มีไม่มีฝุงชนไม่มีการเคลื่อนไหวใดๆนะมีมีแต่เจ้าหน้าที่รัฐที่อยู่เต็มถนนที่นั่นอันนี้อันนี้คืออะไรนะสภาพที่มันที่มันเกิดขึ้นคือถ้าถามถ้าถ้าถามดิฉันเนี่ยเอ็นไม่ไม่คิดว่ามันเป็นก่อการเพราะว่า คือคือไม่คิดว่าเป็นแผนเพราะว่าการยิงร้านน้ําชาเนี่ยนะคะจะยิงตัวเองทําไมใช่ไหมคะและถ้าถ้าแผนนี้เนี่ยมันมันจะเวิร์กด้วยอีกส่วนหนึ่งก็คือว่าเจ้าหน้าที่รัฐต้องเข้าไปอ่ะถ้าเจ้าหน้าที่รัฐไม่เข้าไปมันก็ไม่เป็นแบบนี้ใช่ไหมคะถ้ามันเป็นนึกออกไหมคะอย่างวัดพรมประิทธิเนี่ยเจ้าหน้าที่รัฐไม่เข้าไปแต่มันก็เป็นอีกแบบหนึ่งไงนึกออกไหมคะคือคือว่าถ้ามันถ้ามันจะเป็นแผนเนี่ย มันก็ต้องมันต้องเป็นแผนร่วมกันนะ่ะ <c oughs> คิดว่าอย่างนั้นนะะถ้าถ้าดูตาอยู่ที่หมอแต่แต่ถ้าอาธิบายแบบว่ามันเกิดเพราะความความไม่ไว้วางใจกันแล้วและความกลัวกันและกันเนี่ยได้ยังไม่ตอบว่าการฆ่าเป็นอะไรว่าใครฆ่าใช่ไหมอันนั้นตอบได้ยากมากแต่อันนึงก็คือว่าประตูนั้นเนี่ยถูกบล็อกด้วยกุญแจ นะคะคนที่จะเข้าไปเนี่ยได้เปิดกุญแจเข้าไปนะคะเพราะว่ า, อาตอนที่เราไปเนี่ยประตูถูก ง, งัดออกแล้วแต่ว่าเจ้าหน้าที่รัฐบอกว่าเป็นคนงัดเองตอนเอาศพออกนะค ะ, สะแสดงว่าคนที่เข้าไปตีเนี่ยนะคะจะต้องมีกุญแจนะคะเข้าไปตีแล้วแล้วก็เอาออกมาแต่อันหนึ่งที่เห็นอยากกันเอาไว้เนี่ยนะคะก็คือเรื่องที่ว่าบางคนเข้าใจว่ า, าผู้หญิงที่ที่อยู่ที่นั่นนะ่ะเห็นด้วยกับ กับการกระทํอันนี้เนี่ยถ้าถ้ามองกันตามรูปการจริงๆเนี่ยจะเห็นว่าผู้หญิงเนี่ยเป็นฝ่ายปกป้องเอ่อนอนอยอนั้นต่างหากนะคะเพราะว่าพูดถึงว่าถ้าเกิดว่าหมู่บ้านนี้เขาคิดจะทาลายสองนอยอนเนี่ยเขาจัดการตั้งแต่คืนนั้นแหละใช่ไหมฮะสองทุ่มแล้วก็ไม่มีใครเข้ามาเนี่ยนะคะทำไมทไมถึงจะต้องรอจนถึงเช้านะคะแล้วก็ทำไมถึงจะต้องมีคนล้อมและคนที่ล้อมอยู่ก็เป็นผู้หญิงนะคะ แล้วผู้หญิงเนี่ยนะคะก็ถูกหลอกให้ออกจากที่นั่นด้วยถ้าเขาสาวสามารถจะเจรจากับผู้หญิงเหล่านี้ได้ถ้าผู้หญิงพวกนี้เห็นด้วยกับการตีหัวเนี่ยนะคะผู้หญิงพวกนี้ก็เปิดเปิดตัวการให้เลยโดยไม่ต้องหลอกให้ผู้หญิงออกไปที่อื่นแต่ว่าขณะกระทําการเนี่ยก็ต้องหลอกให้ผู้หญิงไปที่อื่นก่อนแล้วถึงทำอันนี้นะคะถ้ามองกันตามรูป ก, การเนี่ย <c oughs> ผู้หญิงเนี่ยพยายามที่จะไม่ให้คนเข้าไปทำร้ายสองนอยอนี้นะคะถ้าถามเนี่เนี่ย แค่ว่าบทบาทนี่คือว่าเป็นการป้องกันคนกันเองส่วนหนึ่งนะคะแล้วอีกส่วนหนึ่งก็คือป้องกันการใช้กําลังของรัฐที่ที่ที่ขวางถนนอยู่ด้านนอกเนี่ยก็คือป้องกันไม่ให้กําลังทหารเนี่ยเข้ามานะฮะถ้าถามก็คืออันนี้เป็นบทบาทสันติวิธีนะฮะเป็นการใช้ร่างกายเนี่ยเข้าเข้าขวางไม่ให้ฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งใช้ความรุนแรงทั้งสองฝ่าย <Yeah. S 1> แต่ใครถามไม่รู้นะ อ่าฮะแนโน่ปาว่าในส่วนเราไปมีส่วนร่วมในเรื่องเียนคพื้นที่นประชาชนเาจะมีความไว้ใจใมากขึ้นคะอือคืออย่างที่บอกว่าขณะขณะที่แบบว่าความหวาดระแวงสูงขนาที่ว่านี่นะคะเอ่อเราซึ่งลงไปทำงานในพื้นที่พยายามจะพิสูจน์อะไรบางอย่างเนี่ยนะคะ เราก็พบว่าเราได้รับความไว้วางใจสูงโดยใช้เวลาไม่มากที่น่าสนใจคืออันนี้นะคะเ อ, อเพราะว่าคือคือรัฐเนี่ยจะอธิบายอยู่ตลอดเวลาว่าเข้ากับชาวบ้านไม่ได้พูดกันไม่รู้เรื่องแต่มันพูดไม่รู้เรื่องเพราะคุณไม่ใช้ล่ามมาแล้วมันพูดกันไม่รู้เรื่องจริงๆนะคะคือเจ้าหน้าที่รัฐก็มาจากอีสานอย่างเงี้ยมาจากที่อื่นนะคะหรือเรามาจากกรุงเทพแล้วก็ไม่รู้เรื่องเหมือนกันนะ คือถ้าให้ไปเดี่ยวๆคุยกับชาวบ้านไม่รู้เรื่องจริงนะบางบางคนจะอธิบายบอกว่าเขาฟังเราออกแต่ว่าเขาไม่ยอมพูดเนี่ยควรจะพูดดีนะคะจริงๆไม่อะเพราะว่าอะไรถึงยืนยันรู้ไหยเพราะว่าฉันทํากลุ่มบาบัดกับเขาเนี่ยบางครั้งก็พูดเรื่องผลประโยชน์ของเขาอะ่ะเขายังถามบอกว่า <c ười> แปลหน่อยคือ <c ười> <c ười> ต้องให้มีคนมามาช่วยแปลเวลา ท, ที่พูดอะไรที่มันซับซ้อนมากขึ้นนะ คือถ้าถามเรื่องกินข้าวบอกทางอะไรพวกนี้อ่เอาละใช่ฟังก็รู้เรื่องแต่ว่าถ้าพูดแกเป็นเรื่องเป็นลาวนะไม่รู้จริงนะอย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นหาการการกา ร, การทํางานทุกขั้นตอนกับชาวบ้านเนี่ยต้องมีล่างตลอดเวลาอันนี้สําคัญแต่ว่าขณะนี้นี่ก็เขาก็คืพยายามจะมีการฝึกฝึกภาษาของเจ้าหน้าที่ที่จะลงไปทํางานเนี่ยระดับหนึ่งนะคะแต่ว่าเท่าที่เท่าที่รู้บางก็เพียงพอมีปัญหาอยู่นะคะอย่างเช่น เ, เจ้าหน้าที่รัดเรียกวัยรุ่นขับจั ก, กรยานยนต์มาเงี้ยนะคะกับตัวถามบอกว่าจะไปไหนก็บอกไปกินเหนียวทหารที่เป็นเป็นมาจากอีสานเนี่ยโกรธว่าวัยวัยรุ่นเนี่ยแซวว่ากินข้าวเหนียวเหรออะไรเงี้ยนะคะแต่ไปกินเหนียวของที่นั่นคือไปงานแต่งงานอย่างเงี้ย น, นะคะคือมันก็มันมีช่องว่างบางอย่าง พอสมควรในใ น, ในการทำงานแต่ว่าพูดถึงพูดถึงจริงๆถ้าเกิดเขาเาบอกว่าปัญหาที่เขามีกับรัฐไทยเนี่ยคือเรื่องของความความไม่ซื่อสัตย์ความไม่ซื่อตรงพูดคําไหนไม่ไ ม, ไม่ไม่เป็นคํานั้นอันนี้ที่เป็นปัญหานะฮะแต่ถ้าเกิดว่าคนไหนซึ่งไปทำงานกับเขาเนี่ยแล้วก็จริงใจก็บอกว่าเขาต้องการความจริงใจเนี่ยมากพูดคาไหนเป็นคานั้นเนี่ยโอเค อย่างเราเราทำงานกับเขาเนี่ยจะว่าไปนได้ความไว้วางใจมาโดยใช้เวลาทํากลุ่มเนี่ยสองวันเท่านั้นเองเ <c oughs> แล้วถาม <c oughs> ถามเขาตอนนี้วันวันก่อนคือให้คือให้มีการประเมินว่าตอนที่เจอกันครั้งแรกเนี่ย <c oughs> เขาจัดเราไว้ที่ไหนคือเราเราเร า, เราทำโซนเนี่ยนะฮะโซนโซนสบายโซนเสี่ยงโซน อ, อ, อันตรายอะไรเงี้ยเ <c oughs> ล้ก็ตอนเจอเราครั้งแรกเนี่ยเขารู้สึกว่าเราเนี่ยอยู่พวก เสี่ยงค่อนข้างอันตรายแต่ถามว่าวันนี้อยู่ที่ไหนเขาบอกว่าอยู่ในใจเขาเลยนะเขาบอกว่าไอ้เราเนะี่ยอยู่ที่ที่ตรงไขแดงข้างในเขาเลยนะซึ่งถ้าถามบอกว่าเป็นคนโหดร้ายมากแค่ไหนแล้วก็กําแพงเนี่ยหนาขนาดไหนเนี่ยฉันถ้าถ้าโดยประสบการณ์ส่วนตัวเนี่ยไม่คิดว่ากําแพงนะั้นเนี่ยหนามากนะคะ ที่ที่จริงแล้วจะนับว่าบาง ก, ก็ว่าได้แต่เรื่องที่สําคัญก็คืออย่างที่บอกว่ามันต้องต้องจริงใจคือไม่ที่กโกอยอย่างคือพวกไปหาข่าวคือไปทํางานกับเขาเพื่อที่จะไปร้วมความลับอะไรพวกเนี้ยนะคะแต่ว่าถ้าเกิดว่าไปไปทํางานเพื่อที่จะช่วยเหลือเขาจริงๆเนี่นะะัเข้าไปได้ง่ายสบายมากแล้วก็ขณะนี้เนี่ยคนที่เขาต้องการมากเลยนะก็คือบุคลากรทางด้านสารณสุข แพทย์ที่ขาดแคลนมากจริงๆนะนอกจากเรื่องหมอผ่าตัดเพราะว่าจากเหตุการณ์พวกนี้นะคะทั้ง3จังหวัด4จังหวัดเออเอาสาจังหวัดขนาดนี้เนี่ยมีจิตแพทย์อยู่คนเดียวนะคะคือหมอทำโรงพยาอาลรีดูแลสาจังหวัดแต่จริงๆขณะนี้ต้องงานจิตแพทย์ที่พื้นที่มากตอนนี้กรมสุขภาพจิตเนี่ยนะะก็มีงบประมาณนะคะอยากจะให้ นักนักจิตวิทยาเนี่ยเข้าเข้าไปช่วยงานในพื้นที่มากขึ้นเพราะว่าขณะนี้คนที่ทํางานนี่คือเราเนี่ยซึ่งจบจิตวิทยาสังคมอ่ะไม่ไม่ไ ม, ไ ม, ไม่ไม่ได้จบจิตคลินิกไม่ได้จบจิตแพทย์นะคะแต่ว่าต้องขณะนี้ก็คือคนอื่นๆซึ่งสามารถจะทํางานได้บ้างแล้วก็เอาเอามาจัดฝึอกอบรมอ่ะเอาอสมเอาอย่างนี้นะค ะ, าาอ ม, อา ะ, คะมาฝึอกอบรมที่จะดูแลจิตใจของคนในพื้นที่ขณะนี้ก็กําลังทําเรื่องนี้อยู่จารย์ะ ในส่วนของรัฐะนะคะที่เป็นรัฐบาลกลางพักการเมืองเนี่ยมีส่วนต่อการดูแลตรงนั้นหรือเปล่าเพราะว่าเท่าที่ผ่านมามีความรู้สึกว่าตอนช่วงประชาธิปัตย์เนี่ยเหมือนมันจะสงบหรือว่าเพราะไม่เล่นข่าวก็ไม่รู้นะคะแต่ว่ามันมามีปัญหามากในช่วงของรัฐบาลทักษิณในชุดที่สองเนะะี่ยค่ะไม่ทราบว่าเป็นเพราะแนวนโยบายหรือว่าเป็นเพราะอย่างประชาธิปัตย์เราก็รู้อยู่ว่าเป็นส่วนใหญ่จะเป็นพื้นที่ภาคใต้ นี่คือเรื่องคือเรื่องที่ที่เป็นจากาตัวนโยบายและที่ชัดที่สุดก็คือว่ารัฐบาลทักษิณเนี่ยยุบสออปตอ์นะคะเคยได้ยินไหมฮะคือที่นั่นเนี่ยมันคือจะมีหน่วยงานอันนี้ยอยู่แล้วหน่วยหน่วยงานนี้มีนั่นมากมีอํานาจมากคือว่ า, าตํารวจไปไขูดรีดใครที่ไหนหรือใครไปอะไรทีแล้วชาวบ้านมาล้องเนี่ยหน่วยเนี้ยสั่งปลดได้เลยคือไม่ต้องรอแบบว่าเจ้ากระทรวงอะไรมาจัดการนะคะ หน่วยงานเนี้ยปดคนเป็นร้อยคนสั่ง ย, าย้งยายใช่ไหมเป็นมาจากไหนเออเป็ น, เ ป, นเป็นหน่วยงานของรัฐค่ะแต่ก็แต่ก็จะมีจะมีทั้งคนซึ่งซึ่งถูกแต่งตั้งไปไปจากรัฐแต่เป็นคนที่คนพื้นที่เขาไว้วางใจแล้วแล้วก็มีก็ก็มีคนพื้นที่ด้วยค่ะเขาเป็นคณะกรรมการนะคะทำงานร่วมร่วมกันแล้วก็ แต่แต่ที่สำคัญก็คือว่าทหาร เ, เข้าไปเป็นกรรมการแต่ว่าไม่ได้มีอำนาจที่นั่นนะะแต่ตอนหลังเนี่ยคือคือพายุอันนี้เนี่ยคือความคิดของคุณทักษิณเนี่ยก็คือว่าถ้าเหตุการณ์มาสงบแล้วเนี่ยมันมันก็ไม่มันก็ไม่จำเป็นอีกต่อไปก็คือว่าจะให้ตำรวจดูแลสถานการณ์เนี่ยใช่ไหมคะพอเอาพอคือคือหน่วยนี้เนี่ยเออ มีทหารเป็นกรรมการใช่ไหมคะแต่ว่าทหารไม่ได้เนื้องหน้าที่นี่นะฮะแต่ว่าแต่ว่าก็จะมีกองทหารที่ดูแลพื้นที่เนี่ยอยู่ใช่ไหมคะค่ะแล้วก็ยังมีกฎอายการศึกนะคะเรนเคยเคยถามที่ที่ภูเก็ตนะเขาบอกว่าถ้าเกิดสมมติอยู่ภายใต้กฎอยัอยการศึกเนี่ยเวลาขนของหนีภา ษ, ษีก็คือผ่านทหารคือถ้า ถ้าไม่ตกอยู่ภายใต้กฎอายการสึบเวลาคนของก็ผ่านตำรวจจ่ายเวล า, <Yeah. S 1> เ, วลาเวลาจ่ายจ่ายกับใครอะไรเงี้ยนะคะ <Yeah. S 1> อ่าเพราะฉะนั้นถ้าเอาทหารออกนะคะประโยชน์อนี้ก็จะต้องเป็นตกอยู่กันตำรวจ <laughs> ใช่ไหมฮะมันก็มีปัญหากันอยู่อันนี้ก็อันนี้ก็เป็นเป็นเป็นข้อเท็จริงอนไรแต่ว่าเขาจะตีกันอีรูปแบบไหนนี่อันนี้เราไม่รู้แต่เรื่องผลปรโยชน์เป็นแบบนั้น อะไรนะที่นำเงิมนมาสั่งขนมจากประเท ศ, ศรุสเิียมาดีได้รับการสนับสนุนจากประเทศรัสเซียเข้ามาและพวกกองโจรทนะั้งหลายเนี่ยเออคือยังไงอันนี้ยังไม่รู้เลยนะเพราะว่าโจรก็ยังจับกันไม่ได้ใช่ไหม <laughs> แต่ว่าเวลาที่พูดถึงเรื่องการสนับสนุนเนี่ยที่ที่เราพบก็คือว่ามันจะมีพวกโรงเรียนสอนศาสนาในพื้นที่เนี่ยนะคะที่เขาได้รับทุนเด็กๆ เ, เ, เนี่ยออที่เราไปเจอเนี่ยโอ้ยจบอียิปต์นะ จบจบประเทศนอกไงจบมาจากซาอุดีอาระเบียจบอะไรยอยงี้อียิปต์นี่เป็นที่นิยมมากคือเวลาที่เขาเรียนเขาก็เรียนเรียนเรียนภาษาตั้งตั้งตั้งแต่เด็กก็เรียนเรีย น, เ ร, ยนเรียนมาได้ยูเพราะฉะนัน <Yeah. S 1> ้นก็มีแบบว่าอ่อนภาษาไทยเ่ยเอ็นทานเข้าทางนี้ไม่ได้ <Okay. S 1> เ, ปเปอร์เซ็นต์เนี่ยต่ำมากในการที่สอบเข้าเอ็นทานได้แต่ว่าพอได้ภาษาทางนี้ใช่ไหมคะ เวลาเรียนต่อเนี่ยโรงเรียนเาก็เาก็ส่งต่อไปทางสายทั้งนั้นเลยนะคะ mm hmm. ก็ไปเรียนเมืองนอกที่อยู่ในในที่ใช้ภาษาเดียวกันนะคะ mm hmm. นะคะงั้น mm hmm. ก็ก็จะมีทุนประเภทนี้ซึ่งทุนแบบนี้เนี่ยก็ต้องเรียกว่าเป็นทุนการศึกษานะแล้วก็ในโลกของอิสลามเนี่ยเขาก็ช่วยเหลือกันอย่างนี้คือไม่ใช่เฉพาะประเทศไทยในประเทศไหนๆเาก็ช่วยกันแบบนี้ทั้งนั้นนะะซึ่งซึ่งจะพูดว่าอันนี้เป็นทุนนอกประเทศ ไม่ชัดเจนว่าไปเรื่องก่อการนะใช่ไหมฮะอย่างวิทงคบอย่างกรณีสถาทศ์พยายามเข้าตลอดจจะไภาคแรงไปกต่อเยไม่ทราบว่าจริงๆแล้วชาวบ้านเนี่ยาอเขาตอบรับอย่งไคนที่แบบว่า คนที่นไปเจอคนในในตลาดยะลานี่นะฮะโอ้เค้าโมโหโจรมากเลยเพราะว่าโจรเนี่ยทำให้เศษกิจตกต่ำใช่ไหมฮะพวกแม่ค้าเนี่ยจะไม่ชอบแต่พอพูดถึงทักษินเนี่ยใช่มซึ่งงที่ยิงอยู่ฝั่งตรงข้ามกับโจรถ้าคือเราคิดเอาตามตา ก, ก่าวว่าถ้าเกิดว่าเข า, เ, าเขาเขาไม่ชอบโจรเขาน่นาจะชอบทักษินใช่ไหมเปล่าไม่ชอบทั้งคู่คือโจรนี่ก็ทำสถานการณ์แย่ลงใช่ม แล้วบอกว่าทักษิณเนี่ยพูดอะไรแต่ละครั้งเนี่ยคือคุณทักษิณพูดแล้วอยู่ที่นี่แต่คนที่นั่นน่ะตายนึก อ, ออกไหมค ะ, ะเพราะนั้นเนี่ยอย่างกรณีคุณทักษิณไปเนี่ยเขาก็ ย, ย, ยังพูดเลยนะบอกว่าเนี่ยสมเด็จพระโอเนี่ยนะฮะไปเนี่ยยังยังใช้คนเนี่ย อ, อ, อะไรนะฮะในการในการคุ้มค้รองเนี่ยน้อยกว่าทักษิณอีกก็ แล้วชาวบ้านเขาก็ลือกันว่าแท็กซี่ขี้กลัวเขาจะพูดอย่างนี้นะฮ ะ, ะคือถ้าพูดถึงว่ามีคือกลุ่มต่างๆซึ่งอาจจะมีความเห็นแตกต่างกันเนี่ยนะคะ<า>แนวโน้มโดยเฉลี่ยก็ไม่ชอบแท็กซี<า>่หาไม่ว่าไม่ว่าจะเป็นกลุ่มที่ไม่ชอบโจหรือว่าเป็นกลุ่มซึ่งไปกับโจหรืออะไรกำถามนี้นะคะก็มาเขาก็บอกว่ามาสร้างภาพเพราะเพราะว่า ทุกครั้งที่ไปเพกลับมาสถานการณ์มันก็ไม่ดีขึ<ม>้นสถานการณ์ก็มีแต่แย่ลงทุกครั้งแล้วตอนนี้เหน่ว่ามันมีภาพของหนังสือมั น, มนตัวของรุ่นของอะไรจริงๆเป็นย ง, งะก็ที่ว่ามาเอามาออกทีวีแล้วก็ถามว่าึไปไรอไรตัวไปรอที่มีสื่อพยายามอกคือคืออย่างที่บอกว่าเนื่องอย่าง เรื อ, อย่างว่าที่นี่มันก็เป็นแบบที่ว่านี้แล้ก็มีขบวนการอะไรเนี้ยขบวนการก็มีอยู่จริงนะฮะแต่แต่ดังแต่ดั้ ง, แ ต, งแต่เดิมเนี่ยแต่ว่ามันมีช่วงหนึ่งก็คือว่ามันก็หยุดคือคือบางคนก็ว่าแก่แก่แล้วเลิกเออเลิกเคลื่อนไหวแล้วอะไรแต่อะไรเนี้ยนะคะเออแต่ว่าอันนี้มีทีนี้การมอบตัวอะไรเนี้ยนะคะ ก็มีการมอบตัวจริงอะนะคะแล้วก็มีเรื่องของอะไรอะถามว่าเจ้าหน้าที่ที่เป็นทหารเนี่ยรู้รู้จัก ก, กลุ่มเหล่านี้ไหมเนี่ยรู้จักอ่อบางนี่น้องที่บ้านถามบอกว่าทำไมคนมามอบตัวกับทหารถึงได้รู้สึกสนิทสนมกันมากไม่บางเรื่องควรจะพูดไหมเออ คือเขาบอกที่ที่แล้วมาบางครั้งก็คือพอจับตัวมาได้เนี่ยนะคะอย่างเขาบอกว่าไอ้ไ อ, อ้เรื่องไอ้เรื่องที่ให้ที่ให้ปืนที่ให้ปืนไปดูแลในพวกชลอบหรืออะไรเงี้นะคะสมัยก่อนก็มีการให้ก็ให้ปืนไปดูแลเนี่ยนะคะคือเจ้าหน้าที่ใช้วิธีเขาเรียกว่าเอาเอาโจรดูแลโจนคือไม่ส่งคนไปเองน ะ, ะจับมาได้บางทีก็แบบว่าคุยกันรู้เรื่องแล้วก็ให้ปืนกลับไปด้วย ให้เป็นคุมให้ไปคุมพี่น้องเพราะตัวเองก็ภาษาก็ไม่ได้อะไรก็ไม่ได้ก็มีปัญหาใช่ไหมคะแต่ว่าก็คือมีลิง์พูดถึงกันเคืออันนี้ท น, น่ยยังไม่ยังไม่รู้แบบว่าชัดเจนว่าว่าขนาดไหนแต่จริงๆก็คือเ่านเคยสัมภาษณ์แม่ทัพภาคสี่เนี่ยแม่ทัพภาคสีก็บอกว่า อ, อ, อันนั้นสัมภาษณ์หลังเกิเซะนะคะบอกว่าผมไปคุยกับทุกคนมาแล้วที่เป็นคนหน้าเ <c oughs> <c oughs> ขาไม่เขาไม่เกี่ยวข้องอะไรกับกรณีเกิเซะเลย นะอันนี้แม่แม่แม่ท่าภาคสีเป็นคนยืนยันแบบนั้นเพราะฉะนั้นแสดงว่าทหารเนี่ยรู้จักบุคคลเหล่านี้ดีพอสมควรโดยโดยเฉพาะกับพวกที่เป็นที่เป็นหัวหน้าทั้งหลายาไม่ใช่หัวหน้าหมู่บ้านหัวหน้ากระบวนการแต่ว่าอย่างที่บอกเขาเขาจะเคลื่อนไหวหรือไม่ยังไงนั่น อ, อีกเรื่องหนึ่งแต่ถามว่าเขารู้จักกันไหมเขาก็รู้จักกันนะคะ หรือหรืออย่างล่าล่าสุดที่เราไปไปเจอมาเนี่ยบางคนบางคนจากกรณีตักใบเนี่ยซึ่งได้รับการคุ้มครองจากรัฐเนี่ยก็มีคนที่ต้องคดีห้าสิบแปดมีมีมีห้าสิบแปดคนที่ต้องคดีตักใบใช่ไหมฮะคนที่ต้องคดีเนี่ยจะไม่สามารถไปมาเลเซียได้แต่คนแถวนี้ปกติเขามไม่ต้องข้ามไปทำงานฝั่งนู้นใช่ไหมพอต้องคดีปุ๊บ ตามกฎหมายก็ไปไม่ได้แต่คนที่ได้รับการคุ้มครองจากรัฐเนี่ยที่เราเจอแล้วคุยกันนะ mm hmm. เขาบอกเขาไม่มีปัญหาอะไร mm hmm. เขาไปมาได้เพราะเขาได้รับอภิสิทธิ์บางอยา่างนะคะ mm hmm. หรือหรือหรือเด็กที่ที่ไปปฏิบัติการมาที่28เมษาคือ28เมษาไม่ไม่ไ ม, ไ ม, ไม่ไม่ใช่เฉพาะเกอร์เซสนะฮะมันมี11จุดเนี่ยเออแล้วก็มีคนซึ่งรอดชีวิตจากครั้งนั้นนะคะคือไม่ได้ตายหมดแล้วก็คนที่รอดชีวิตเนี่ยคนก็ต้องคดีอยู่เนี่ย ก็เขาก็ได้รับการคุ้มครองจากจากทหารอยู่แบบเนี้ยนะคะที่บอกพูดดีไม่ดีเนี่ยคือว่าคนซึ่งกรณี28เมษายนเนี่ยคือคนที่ซึ่งถือมีดเข้าไปตีกับรัฐใช่ไหมค ะ, มคะเป็นผู้ร้ายชัดเจนใช่ไหมคะแต่ว่าถอนฟ้องนี่บ อ, อกไหมคะทหารสามารถถอนฟ้องบาง บางส่วน 28, เ, 5, เนี่ยได้แต่คดียี่แปดเอ้ยคดีห้าห้าสิบปดเนี่ยซึ่งเป็นผู้ชุมนุมในกรณีต่างไปเนี่ยยังไม่ได้ยังไม่ได้เป็นคนซึ่งวิ่งเข้าไปทำร้ายเนี่ยถอนฟ้องไม่ได้คือว่าที่บอกว่าไม่รู้จะพูดดีมเนี่ยเพราะว่าเดี๋ยวพอพูดไปเนี่ยอันนี้มันเป็นการเป็นข้อเท็จจริงเียนะะอันเนี้ยมันก็จะเป็นตัวที่ไปชี้ชัดว่า ความไมนยุติธรรมในการปฏิบัติเนี่ยมันมีอยู่จริงๆแต่แต่อันนี้เนี่ยทางฝ่ายทางการก็จะอาจจอธิบายบอกว่าอันนี้เป็นวิธีการทำงานของของรัฐ ก, ก็ได้ว่าใช่เพื่อที่จะเอาจับตัวเล็กไปหาตัวใหญ่ก็ต้องคุ้มครองบางคนหรือก็ ว, ว่าไปนี่นะคะก็ก็จะว่าอย่างนั้นก็ได้ ร้อยร้อยสามสิบเอ็ดไม่รู้เหมือนกันแต่ว่าถามคนที่เขาแถบอยู่อยู่แถวบ้านนั้นเขาบอกว่าคนที่ไปเขาไม่รู้จักคือนี้มันต้องไปเช็คกันอีกทีนะแต่คือเราก็ถามแค่แค่บางคนเนี่ยนะะแล้วก็บ้านนั้นเนี่ยเขาก็บอกว่าเออเขาไม่ทิ้งแผ่นดินหรอกถ้าในหลวงไม่ไล่เขาเนี่ยเขาไม่ไปไหนอ่าก็ยัง รับในหลวงนะเขตเขต ท, ที่พี่บอกว่าแดงอะไรเนี่ยเลยแต่คนที่เข้าไปเจราจารเอา่อหนึ่งเอ่อหนึ่งสามหนึ่งเนี่ยตายไปแล้วถูกยิงตายเมื่ออาทิตย์ที่แล้วอะไรนะรู้สึกว่าเขาจะขอไปเป็นหา เ, เป็นตัวต่อที่จะเข้าไปคุยกับหนึ่งหนึ่งหนึ่งสามหนึ่งที่มาเลีย <c oughs> เป็นผู้ใหญ่บ้าน พ, พูดเสริมหน่อยนะ คือกรณีร้อสามสคนเนี่ยก็คือถ้าถ้าถามพวกที่อยู่ในอยู่ในกระบวนการเนี่ยเก่าๆ เ, เนี่ยเขาก็บอกว่าก็คงมีส่วนอยู่หมายถึงว่าเขาคือเขาบอกเนี่ยไอ้แผนแบบนี้เนี่ยมันมีมันทำแต่สมัยมีโจนพูโลแล้วตั้งแต่1 0บปี่สปีที่แล้วก็คือว่าถ้าหากว่าถึงถึงจุดที่มันต้องการให้เกิดความแหลมคมก็จะใช้วิธี เข้าหามาเลเซียเพื่อทำให้เกิดเกิดประเด็นทางการเมืองแล้วก็เขาก็บอกว่าไอ้กรณี1 0 0 1 1คนเนี่ยมันเกิดความผิดพลาดบาปการในฝ่ายในฝ่ายพวกแกนนาที่ก่อความไม่สงบซึ่งทำให้ทให้เกิดอา่าทำให้ทให้งัดเอาวิธีการนี้มาใช้ก่อนที่สถานการณ์มันจะสุขงอมเ น, เ, นเขาก็เลยบอกว่านประมาณสักถ้าไม่นับเด็กและผู้หญิงในประมาณครึ่งหนึ่งเนี่ยเป็นแกนนา คือตามาวินกลาจะบอกว่ามันตอนนี้เนี่ยถามว่ามันมีผู้ก่อความไม่สงบที่ที่ที่มีอุดมการในเรื่องการแบ่งแยกดินแดนหรือการประกาศเอ ก, กราชหรือประกาตมาว์คิดว่ามันมีก็มีมานานแล้วมีมาตลอดแต่คนกลุนยงเปกลุ่มเล็กๆนะแล้วก็ตอนสมัยรัฐบาลนายกเปรมก็สามารถที่จะใช้นิรภัย 60วับทับ2 3หรือตายล้มเย็นเนี่ยล้มน้ำซอสปลาตเนี่ยซอสปลาต่อเป็นเกิดขึ้นปี24ก็คือหลังหลังจากมือบายวั2 3 1ปีก็สามารถที่จะจัดการกับจัดการกับกลุ่มเหล่านี้ได้จัดการนี้ไม่ไม่ไม่จัดการด้วยการเก็บนะไม่จัดการด้วยการเก็บแต่ว่าจัดการด้วยการขจัดเงื่อนไขที่ทําให้คนเนี่ยไม่ไปเป็นแนวร่วมกับกระบวนการเหล่านี้ อย่างเช่นย้ายย้ายเจ้าหน้าที่ที่ที่ที่ไม่ดีอ่ะที่เกี่ยวข้องกับการค้า ย, ยาเกี่ยวข้องกับการาค้าของผิดกฎหมายล้มทั้งการไปอู้ไปค่าเนี่ยอย่างเช่นคุณเจริญจิตซึ่งแกเป็นผู้อำนวยการสบรตบคนแรกเนี่ยขาจะนำสุนัสงขลาเนี่ยก็ ทำเรื่องถึงพลเอกเปรมบอกขอย้าย2องกว่าคนพลเอกเปรมก็ให้อำนาจเด็กขาดคือย้ายไปเลยนะก็ย้ายไปอยู่ใกล้ใกล้หูใกล้หูใกล้ตาใกล้หูใกล้ตาใช่ใกล้หูใกล้ตาเจ้าหน้าที่ไงใกล้หูใกล้ตาคือถ้าอยู่ไกลนี่ไม่ได้ต้องออกไปไกลก็ประกฏว่ามันก็ทําให้สถานการณสงบได้พวกก่อความพวกก่อความการแยกดินแดนีก็ มีเป็น10บ0บกลุ่มก็ก็ยอมแพ้บางส่วนก็มามอบตัวบางส่วนก็เมื่อมามอบตัวแล้วก็มาเป็นสายกับเจ้าหน้าที่นะในระหว่างนี้ก็อยู่กันอย่างสงบสุขแต่ว่าในช่วงหลังเนี่ยเนื้อบายรัฐบาลเนี่ยมีเนือบายที่ค่อนข้างจะรุนแรงแข็งกล้า <c oughs> เช่นอันนี้ก็ทางทางทาง ทางตำรวจนี่เขาก็รายฟังซึ่งเขาให้ให้ใหสัมภาษณ์ในหนังสือพิมพ์เมื่อเร็วๆนี้เขาก็บอกว่าเมื่อตอนเกิดระเบิดครับระเบิดเมื่อตอนเกิดระเบิดที่สถานรถไฟหัดใหญ่ปี44เมื่อคุณทักษิณขึ้นมาเป็นนายกใหม่ๆเนี่ยคุณทักษิณก็เกิดไม่กี่ในกี่วันคุณทักษิณก็ลงไปแล้วก็ถามว่ามันมีโจทอยู่อีกคนตอนนี้เหลืออยู่กี่คนตำรวจบอก70คน70คนก็บอกว่าคุณทักษิณก็บอกว่า เจ็ดสิบคนที่ใช้เวลากี่กี่เดือนกตำรวจบ อ, อกสามเดือนแล้วหลังจานนั้นก็ก็ส่งเขาเรียกว่าอะไรยอดแม่ทัพหรือยอดยอดผุ้พนจากกรุงเทพเข้าไปนะฟังว่าหลังนั้นฟังว่าเนี่ยมีการถามด้วยซ้ำว่าเจ็ดสิบคนนี่เดือนหนึ่งใช้เดือนหนึ่งเก็บกี่คนเดือนหนึ่งจัดการได้กี่คนมันจะตะยังเอาเข้าเลยนะ เดือนนึงก็สิคนก็เอาเจเดือนก็จะประมาณเขบอกว่ายี่สิบคนเดือนพนเลย20สคนี่เดือนนึงก็นั้นเจ็ดสิคนประมาณ3ามเดือนแต่ตอนนั้นก็หายไปทีละคนสองคนนะแล้วก็มีเนื้อบายค่าตัดตอนเข้ามาอีกนะก็ปรากฏว่าแต่ตอนนี้หลายการอุ้มการค่าต่างๆก็เกิดขึ้นซึ่งเข้าใจว่าคนที่โดนลูกหลงก็มีเยอะหรือญาติพี่น้องเขาที่ถูกอุ้มหายก็มีเยอะ แล้วก็พยุศสาบาตอยุศสาบาตอเสร็จคนที่เป็นสายทหารในสมัยสอาบาตอก็ถูกถูกตำรวจเก็บเพราะพวกที่เป็นสายสายทหารก็คือพวกที่มีคดีอยู่ใช่ไหมแต่ว่าเป็นคดีซึ่งทางการเนี่ยก็ถือว่าให้อภัยก็เหมือนกับผู้ผู้ก่อความไม่สงบพกคอกคออะไรเงี้ยมากลับใจป๋าเป็งป๋าเป็นก็ ก, ก็ไม่ไม่เอาโทษนี่โทษ ก, กรรม ใช่ั้ยแต่ว่าพวกที่เป็นพวกขโมยผู้โจรก่อการร้ายเนี่ยแบ่งยกดินแดงเนี่ยพวกนี้เนี่ยพอสอบตอถอนเนี่ยไม่มีหัวไม่มีอะไรคุ้มครองตำรวจขึ้นมาเป็นใหญ่ตำรวจก็เก็บนะงั้นเห็นได้ว่าพอช่วงสี่สี่สีห้านี้มีการเก็บเยอะมากค่าตัดตอนอรอต่างอีกดัง น, นความไม่พอใจก็มีมากขึ้น และตมาก็ชื่อว่าในระหว่างช่วงสิบปีที่ผ่านมาเนี่ยมันมีความพยายามมังคนกลุ่มกลุ่มหนึ่งซึ่งสามารถประสบความสําเร็จในการเผยแทร่อุดมการในหมู่คนรุ่นใหม่ในหมู่เยาวชนนะค่อยๆโปเนียค่อยๆสิบปีที่ผ่านมาเนี่ยกลุ่มพวกนี้ก็ยขยายตัวมากขึ้นในทางอุดมการซึ่งเป็นคนละกลุ่มกับพวกเป็นคนกลุ่มพวกแกนนําเก่าคนละกลุ่มนะ และผู้นี้จะมีปัญหาจะมีความปัญหาขัดแย้งกับผู้นำผู้นำในหมู่บ้านเพราะเป็นคนละความคิดซึ่งที่จริงก็ไม่ก็เหมือนกับนักศึกษาช่วงสิบสี่ตุลาหกตุลาเนี่ยจะมีปัญหากับพ่อแม่ใช่ไหมคือมันเป็นอีกกลุ่มหนึ่งเลยซึ่งโผลมาซึ่งพ่อแม่หรือว่าคนรุ่นใหม่คนรุ่นเก่าคุ้มไม่อยู่หรือไม่เข้าใจและผู้นี้เนี่ยนะก็เป็นแกนนะพอเกิดพอเกิดนโย บ, า, บายของคุณทักษิณซึ่งเก็บ โจรกระจอกเจ็คนเก็บค่าตัดตอนเข้าไปความไม่พอใจก็มีมากขึ้นมากขึ้นเรื่อยๆแล้วพอยุสบตก็สายเสือต่าง ๆ, ๆที่เคยมีก็หายไปหมดเพราะฉะนั้นเนี่ยพอเกิดวันที่เหตุการณ์ที่4ม ก, กราเนี่ยก็เลยไม่ลูกข่าเต็งข่ายเพราะว่าสายที่สายที่เคยมีมันถูกเก็บหมดแล้วนะตอนนี้ก็เลยแล้วยิ่งเกิด ก, กรณีกรือเซกรือเซเข้าไปพอตา่างบายตา่ากใบที่เป็นจุดสําคัญนะ คือคนค น, คนไทยจำนว น, น, น, นไม่น้อยเนี่ยเรียกว่าส่วนใหญ่ในประเทศศาสใจกับกรณีตาบใบถือว่าเออมันตายได้ก็ดีแต่สำหรับชาวบ้านคนในสามยอดพักตายเนี่ยก็ถือว่าตาบายนี่มันเป็นความเจ็บชา่นํำใจของเขาไ อ, อ้คือเส้นนี่พอว่าคือเอาจับจั บ, จ, บจับมีดถือปืนเข้าไปแล้วถูกยิงตายเนี่ยเออแต่คนที่คนที่ตาบใบเนี่ย มือเปล่ามือเปล่าแล้วถูกจับในถูกจับโดยที่อยู่ในการปกครองดูแลของเจ้าที่ได้มาตายเพราะถูกนอนทับๆกันนี่มันมันมั น, ม, นมันสุดมันสุดที่จะยอมรับได้แล้วปรากฏว่าในขณะที่เจ้าที่ที่เจ้าที่ ท, ท, ท, ท, ที่ที่รับผิดชอบตรงนี้ได้รับการาไม่ได้รับความผิดแล้วตอนนี้เป็นคนเองและจับคนโทษเป็นคนเอง แต่เพื่อนของเขาซึ่งเรียกร้องเล็กน้อยก็เรียกร้องเรียกร้องตามเราทำเรานูไม่ได้ใช้ปืนเพว่าติดข้อหา58 59คนคือความไม่เป็นธรรมมเห็นชัดน่ยซึ่งเหมือนมันเหมือนกับ6ตุลาเลย6ตุลาเนี่ยสาหรับคนรุ่นนั้น6ตุลานี่มันเป็นจุดเปลี่ยนสำคัญที่ทำให้คนจำนวนไม่น้อยเข้าป่าใช่ไหมเพราะว่า เพื่อนถูกยิงตายไอ้ที่เราตายถูกจับเข้าคุกข้อหาบินพลเมวอนชั้นลกภาพก่ อ, อ ก, การกรบฏนะฮะาตมาก็โดนด้วยสามพันะ 3, คนคือคนเพื่อนถูกฆ่านะมันต้องเป็นโจทย์ที่จะฟ้องใช่ไบกว่าเก้่ับกายเป็นจำเลยหนักเข้าไปอีกนะนีมน่มันเป็นเรื่องเดียวกันนะเนี่ยมันก็ทาให้กรณีตับายเป็นจุดเปลี่ยนสาคัญที่ทำให้คนหนุ่มจำนวนไม่น้อยเนี่ยอาจจะผู้หญิงด้วยเนี่ยเข้าไป ร่วมกับไปเป็นนาะร่วมกับพวกที่ก่อความไม่สงบซึ่งทำให้มีกำลังมากขึ้นและถามว่าตอนนี้นี่จะทำยังไงจะใช้วิธีการลุนแรงเข้าไปบนขี้ยอีกหรือเปล่าและตรรมาก็เชื่อนะว่าฝ่ายผู้ก่อความไม่สงบมีแผนที่จะทำให้เกิดตักใบสองอยู่ตลอดเวลาอาตม า, ะา จ, จะเห็นต่างอย่างคุณนาลีนะั่นคือว่ากองทันยงรีมอนเนี่ยอาจจะเป็นแผน เป็นแผนที่จะทําให้คือจับแผนคือจับจับนายวิทธินเนี่ยเพื่อเพื่อจะไม่เกิดกรณีตันอยง่ใน ม, มอนะไอ้กรณีทําให้เกิดกรณีตักใบเพราะว่าเมื่อเมื่อจับตํารวจเป็นตัวประกันจับนายเป็นตัวประกันก็เชื่อว่าตํารวจหรือเจ้าที่ก็จะต้องเข้ามาแย่งชิงตัวประกันและก็เมื่อมีผู้หญิงเข้ามาเข้ามาปิดกั้นผู้หญิงก็อาจจะโดนด้วย อาจาคยกับผู้สื่อข่าวคมชัดเลยเขาบอกว่าเขามีแผนในซ้ําว่าถ้าเกิดตำรวจบุกเข้ามาถานบุกเข้ามาไอผู้ก่อขบวนสงบนี้ก็อาจจะยิงชาวบ้านยิงชาวบ้านด้วยกันแล้วก็โยนความผิดไปให้เป็นเป็นความผิดของเจ้าที่และยิ่งท่านขาวมาลเลเซียมาก็ยังเห็นเห็นเห็นชัดๆเลยว่ามันเกิดอะไรขึ้นแล้วลองนึกภาพเดี๋มันมันจะเกิดมันจะเกิดความวิบัติแค่ไหน คือคนที่จับคนที่ยิงคือคนที่คนที่คนที่ฆ่าที่รานน้ำชายนี่เรารู้เป็นใครใช่ไหมแต่ว่าการที่การที่จับนาวิกิโยธินแล้วนะแล้วไม่ฆ่านะก็อาจจะเพราะว่าต้องการให้ให้ให้ตำรวจเจ้าที่เนี่ยเข้ามาเข้ามาเข้ามาแย่งชิง เรื่องนี้ผู้หญิงอาจจะไม่รู้เรื่องนะอาจจะไม่เกี่ยวข้องแต่มันมีคนจำนวนหนึ่งนะซึ่งซึ่งซึ่งเกี่ยวเพราะฉะนั้นเนี่ยสิ่งที่เราต้องต้องระวังคือว่าทำไงเราถึงจะไม่เข้าไปเข้าไปในแผนของเขาคือการไม่ใช้ความรุนแรงเข้าไปตอบโต้ซึ่งกรณีตอนอยูริมเนี่ยมันเป็นมันเป็ น, ม, น, ปนมันเป็นโชคดีของของขอ ง, ของเมืองไทยที่ว่าเจ้าหน้าที่นอวิทยาลยทีต่างๆเนี่ยเขา เขามีความหนักแน่นเขาตั้งใจอยู่แล้วว่าเขาจะไม่ใช้กําลังเข้าไปแย่จริงตัวประกันเพราะเขารู้ว่าไอ้นี่มันแผนเป็นแผนตักใบสองเสียไปสองคนนะแต่เขารู้สึกว่าเป็นการตัดสินใจที่แม้ว่าจะเจ็บปวดแต่ว่ามีเป็นทางเลือกทางเดียวที่ที่เขาจะทําได้เพื่อไม่ให้สานการมันเร็วร้ายลงซึ่งอันนี้เนี่ย เจ้าที่ในในภาสนามเนี่ยเขาเขาเจะบปวดแต่ว่าเขาเขามั่นใจว่าเขาทำถูกแต่ว่าทหารตำรวจระดับสูงเนี่ยไม่พอใจรวมทั้งนายรัฐมนตรีด้วยใช่ไหเพราะมันทำให้เสียการเมืองเนียมันทให้มันไม่ไม่เสียการเมืองมันทำใ ห, มำให้มันรู้สึกว่าเป็นสายพ่แพ้นะ แต่แต่ในแง่ของของของชาวบ้านเนี่ยนะตำรวจเจ้าหน้าที่ในพื้นที่ได้ได้ได้ใจจากชาวบ้านเยอะมากเลยที่ที่ที่ที่ยอมยอมทําแบบนี้คือยอมเสียคนของตัวเองไปเพื่อที่จะไม่ฆ่าประชาชนแต่คนไทยในยส่วนใหญ่ไม่เข้าใจคนไทยคิดว่าเจอแบบนี้มันต้องบี้กันนะต้องบี้กันนะแล้วบี้ก็รับเกิจะเกิดอะไรขึ้นตามมานะ เราเรายังไมยง่ยังไม่เรียนรู้จักกรณีหกตุลาไม่เรียนรู้จักกรณีตักใบไอตอนนี้เนี่ยมันเป็นเรื่องที่คือผู้ที่ก่อความไม่สงบก็ยังพยายามอยู่นะกรณีวัดที่วัดพรหมประสิ์ก็ทําอย่างนี้ก็พิจารณาพยายามที่จะยั่วยุให้ให้คนไทยเนี่ยส่วนใหญ่เนี่ยโดยเฉพาะไทยพุทเนี่ยเกิดความชิงชังลังเกียดคนมุสลิมในภาคใต้แล้วก็จะได้ าสตร์ศูนย์นยบายที่ใช้ความรุนแรงและตอนนี้คนไทยก็เป็นอย่างนี้มากขึ้นเมื่อเร็วๆนี้ก็สำรวจเขาสำรวจเขาสวนตุสิษย์ปโพหรือไอแบกโพนี่ไปสำรวจเมื่อสัก 3-4 วันนี่เองแล้วก็ประมาณสัก 50-60% บอกว่าไอพวกก่อความไม่สงบนี่ถ้าจับได้ต้องประหารอีก 20% บอบอกว่าต้องวิสา ม, มัน คือต้องเก็บนะ่ะปัญหาคือว่าก็มันเจ็บมาต้องไม่รู้เท่าไหร่แล้วมันก็ไม่ได้สงบลงเลยมันก็แย่ขึ้นแล้วก็ที่จับจับกันก็ปล่อยกันตั้งเยอะเพราะไม่มีหลักฐานนะคือตอนนี้เนี่ยทางทางการนี่ก็ไม่รู้เลยซ้ำว่าใครใครใครเป็นใครเป็นผู้ร้าย คือผู้รายรุ่นเก่าเนี่ยรู้ผู้กอ่อผู้ก่อข้อแม่สงบรุ่นกเก่านี่รู้แต่รุ่นใหม่นี่ไม่รู้เลยตอนนี้ก็พอจะรู้รู้ ร, ร, รู้รู้หลังๆว่าเป็นผู้บียร์เอนโคออร์น e, แต่ไม่รู้ว่าใครแต่และสี่สำคัญก็คือว่าเวลานี้เนี่ยมันมีการส่งด่วยสังหารจากส่วนกลางเข้าไปเก็บผู้ว่าก็บอกว่าเนี่ย ผ ม, มรู้จะทำยังไงนะไอ้พวกที่ส่งไปใหม่ส่วนกลางมาแลวา้วก็ไปทางโดยทางราชการก็ทําผู้ว่าก็ต้องรับเลยคือผู้ว่ถึงตอนนี้เนี่ยทางราชการนี่ก็และพวกนี้หน่วยราชการที่เป็นใครก็ไม่รู้หน่วยหน่วยสืบสังหารเนี่ยเพราะฉะนั้นเนี่ยตอนนี้เนี่ยเจ้าที่จํานวนชั้นระดับสูงเนี่ยหนิงไม่รั่วใครเป็นผู้ก่อความไม่สงบสองไม่รั่ใครเป็นใครเป็นผู้ลาสังหารมันหนักขึ้นไปใหญ่อะ เอ่อพดได้งนคือตอนเนี้ยเราไม่รู้ทัก้งระดับสูงเนี่ยแม่นักการเมืองไม่รู้เลยทั้งสองฝ่ายอะไม่รู้ว่าใครเป็นผูก้ก่อความไม่สงบรุ่นใหม่แล้วไม่รู้ว่าใครใครเป็นคนที่ส่งเหมือนหนูราชสังหารไปเก็บไ ล, ล่หนูราชสังหารที่เป็นใครก็ไม่รู้ไ ล, ล่หนูราชสังหารที่บางทีก็ฆ่า ก, ก็ก็โดนเก็บโดยเจ้าหน้าที่ตำรวจเพราะเจ้าหน้าที่ก็ไม่รู้เป็นใครเป็นใคร ก็นนเนี่ยนีคุณพิภพเนี่ยแกบอกว่าเนี่ยแกไปเจอหน่วยคนหนึ่งเนี่ยนะแกบอกว่ามาจากเหนือราชสังหารแต่ว่าตอนนี้ต้องต้องหนีแล้วเพราะว่าตัวพวกตัวเองมีสามสิบคนถูกเก็บไปละสิบหคนไม่รู้ใครเก็บเลยต้องหนีกระส่ากระเซิร์นคือมาตอนนี้มันนึกผ่านมันมันเล็กตุ้บเป๊กใหญ่แล้วและสิ่งเหล่านี้เนี่ยอาตมาไม่แน่ใจว่าคุณทักษิณจะคุมได้ไหรือเปล่าเพราะตอนนี้เนี่ยมันคือพอ พอคุณใช้ความดูแลเนี่ยคุณคุ้มไม่ได้นะคุ้มไม่ได้นะคุณเริ่มต้นจากคุณเก็บโจรกระจกเจ็สิบคนนะแล้วคุณไม่รู้วคุณเล่นกับไฟไมนะไม่รู้วเล่นกับไฟแล้วตอนนี้มั น, ม, นมั่วไปหมดนะแล้วตอนนี้เนี่ยก็คุมกับคนไทยไม่ได้คนไทยนะตัวเองเนี่ยปล ก, กกระแสความรักชาติจลปลกจนกระทั่งว่าพอเกิดเรื่องคนไทยบอกว่าต้องบี้ ต้องใช้ครุนแรงรัฐบาลก็ถ้าไม่ทำก็เสียคะแนนนะก็ต้องพูดอะไรแรงๆเข้าไปพูดแรงๆเพื่อได้ให้ได้คะแนนว่าไม่เก็บไปทําพ่อบ้างหรือว่าไม่ตายฟรีบ้างนะ <Yeah. S 1> พูดแรงเพื่อใ ห, ให้ให้ได้คะแนนแต่การทําบนั้นเนี่ยเท่ากับปลุกให้เกิดความกระแสรุนแรงมาคืกระแสรุนแรงนี่ก็จะไปบีบรัฐบาลอีกที <Yeah. S 1> ให้ต้องใช้ความรุนแรงถ้ารัฐบาลไม่ทํารัฐบาลก็เสียคะแนนนิยม และการแก้ปัญหาภาคใต้เนี่ยมันใช้คะแนนนิยมไม่ได้นักการเมืองที่ทําตามคะแนนนิยมเนี่ยในในลังกาเนี่ยมันทำอย่างใช้วิธีนี้คือปลูกกระแสชั่นนิยมเพื่อตัวเองจะได้มาเป็ น, นเป็นนักการเมืองเป็นรัฐมนตรีในรัฐมนตรีเสร็จแล้วกระแสชั่นนิยมก็จะบีบรัฐบาลให้ต้องใช้ความรุนแรงลังกาเนี่ยนะฆ่ากันมายี่สิบสองปีแล้ว เรตายไปเกือบแปดหมุนคนแล้วตอนนี้ยังไม่ยุติเลยก็เกิดจากการกระแสที่รัฐบาลเนี่ยปลูกกระแสชาตินิยมเพราะว่าเพราะว่ามันมีลังการที่มันมีชนสองพวกคือสิงหผลกับธมินจะต้องการได้คะแนนเสียงจากพวกสิงห์ลก็ต้องชูความรักชาติชูว่าตัวเองรักชาติ ร, รักศาสนานะแล้วประชาชนก็รุนแรงมากขึ้น ปีที่รังการเนี่ยมันเกิดเหตุปี2อง ป, 2, ป 2, เนี่ย <Yeah. S 1> อ่าคือรังการเนี่ยเราใช้วิธีการในการใช้วิธีการรุนแรงรุนแรง <Yeah. S 1> ตอนแรกเนี่ย <Yeah. S 1> คนทมินคนทมินเขาบอกว่าเขาขอ <Yeah. S 1> เขาขอคนทมินเขาขอปกครอง <c oughs> เขาขอ ปกครองตนเองแบบส า, าพันธลัฐนะบอกกูว่าไม่ยอมรัฐคนส่วนให ญ, ญ่ไม่ยอมใครเรียกร้องก็จับเข้าคุกบางทีก็เก็บเสร็จแล้วพอเขาเรียกร้องว่าขอให้มีการปกครองตนเองใช่รัฐบาลก็ปราบปราบจงรทั่งบอกว่าคนคนมันมีคนกลุ่มหนึ่งบอกว่าฉันไม่ไหวแล้วฉันขอแยกดินแดงกันแล้วกัน แต่าก็ปราบียิ่งปราบมันยิ่งโตวันดีคืนดีคนนี้ก็พวกพยัทามินก็วางระเบิดทหารทหารตายสิบ13าคนตายวันตายคราวทีสิบสามคนเอาศพมามาปุกกระดมกันในกรุงโคลัมโบูพรกว่าชาวบ้านก่ อ, อการจลาจล โดยมีรัฐบาลหนุนหลังนักการเมืองหนุนหลังให้ให้ใ ห, ใ ห, ให้ให้ลดให้ลาค่ากันตายไป 2,000 คนจากสิบสามคนนะจากตาคนเนี่ยคนคุณค น, คนสิงผลคนในกรุงโคลัมโบแก้แค้นคนทมินต่อาการจลาจนจับมาฆ่ามาเผามาขมขืน2อ0 0คนตายไป คนเป็นแสนหนีออกไป อ, อพยพและหลังจากนั้นไม่มีไม่มีวันสงบอีกเลยในศรีลังกาสองพันคนตอนนี้แปดหมคนแนละ้วฮะเริ่มต้นจากการเริ่มต้นมาจากการที่ค่อยๆปราบค่อยๆเก็บมาทีลนิดทีละคนสองคนเนี่ยจกนกระทั่งเขาตอบโต้มาเป็นระเบิดสิบสามคนทางนี้ก็เอาหนักอีกถึงขนาดไอ้เกลียวแห่งความเกลียวงความรุนแรงนี่มันมันมันมันลามมันลามแล้วตอนนี้คุมไม่อยู่รัฐบาลก็คุมไม่อยู่ เวลารัฐบาลจะเจรจากับพวกทรรมินทร์ทีไรถูกต่อต้านจากพระจากประชาชนนีเปลี่ยนรัฐเยนในรุมนร่ ม, มนเปลีมาแล้วกี่ครั้งแล้เปลี่ยนประธานดิมมนมาแล้ก่กครั้งยังเจรจากันไม่ได้เพราะว่าพอคุณใช้ความรุนแรงแล้วเนี่ยมันถึงจุดหนึ่งคุณหยุดไม่อยู่คุณห้ามไม่ห้ามห้ามไม่หยุด แ, แล้วเมืองไทยตอนนี้มันจะไปกําลังไปถึงจุดนั้นตอนนี้เนี่ยมันตอนนี้คนมันมีความ ชาวบ้านเนี่ยเกิดความระแวงเกิดมันเกิดความขัดแย้งกันระหว่างเกิดความไม่วางใจกัหลองรัฐบาลกับประชาชนโดยเฉพาะในสามยอภาคใต้เวลาเกิดเรื่องเวลาแระชาวบ้านมีระแวงระแวงเจ้าที่รัฐมากระแวงจนกระทั่งว่าเกิดเทอะไรขึ้นมาเนี่ยต้องถือว่าเจ้าที่รัฐทำแม้กระท่าน ก, ากรอนิวัตรพรหมประสิทธิ์นะขนาดเขียนป้ายเลยนะว่ามึงฆ่ามารยูบริสุทธิ์กูฆ่าสยามบริสุทธิ์ ประจนะัยไหมึงฆ่ามล า, ายูบริสุทธิ์กูก็จะฆ่าสยามบริสุทธิ์ก็คือเนี่ยขีดป้ายไว้ที่รัรดปรมัทธิคนจำนวนไม่น้อยยังบอกเลยไอ้นี่มันมันเป็นแผนรัฐบาลนะว่าเพราะคนมุสลิมไม่ฆ่าพระคนที่คิดแบบนี้ก็มีเยอะนะฮะคือเชื่อว่าไอ้ที่วัดปรมัสสิเนี่ย <c oughs> เป็นแผนของรัฐบาลคือมันคือแสดหเลย ว, ว่าความระแวงรัฐบาลเนี่ยมีมากจนกระทั่ง เห็นเห็นอะไรเอนิดหน่อยก็รัฐบาลทําหมดแล ya, K K totalement totalement totalement ้วตอนนี้เนี่ยความสัมพันธ์ระหว่างรัฐกับประชาชนแย่ลงไปแล้วตอนนี้ความสัมพันธ์ระหว่างประชานกับประชาชนก็กําลังแย่ระหว่างคนพุทธในสามยอดชายแดนภาคใต้กดบคนมุสลิมในสามยอดชายแดนภาคใต้แล้วก็ระหว่างคนเจ็ดจดสามจังหวัดกับคนอีกสามจังหวัดที่เหลือ ดังตอนนี้เนี่ยมันส า, าการนี่มันมันมันเลวร้ายลงส่วนหนึ่งก็เพราะว่าแต่ละคนแต่ละคนร่วมกันโยนดยวนไม้ขีดลงไปร่วมกันสาดน้ำมันลงไปนะคือไม่ใช่เฉพาะคุณทักษิณ น, นะไม่ใช่เฉพาะสื่อมวลชนไม่ใช่เฉพาะนักการเมือง แต่ว่าคนไทยแต่ละคนแต่ละคนที่ขยันส่ง S M S ไปตามโทรทัศน์ขยันเขียนข้อความในเว็บบอร์ดนะบอกว่าเฮ้ยเอาปืนใหญ่เอารถถังไปถล่มบ้านตอนอ้นหยงริมอกันไปเลยใช่ไมไล่มันออกไปจากแผ่นดินไทยอะไรเงี้ยคือต่างช่วยกันช่วยกันช่วยกันเออคนนี้คนนี้คิดว่าทำด้วยความรักชาตินะแต่ว่าการทำตัวเางเนี้ยเมื่อจากทำด้วยความกลัวด้วยความเกลียด มันก็เลยทําให้บ้านเมืองเนี่ยแย่ลงไปแย่ลงไปไฟก็กาลังจะไหม้ลามไปทั้งประเทศไฟไม่ได้มาจากไหนไฟมันเริ่มมาจากในใจคนนะงั้นทําไมให้ไฟไไฟไห ม, ม้ลามทั้งประเทศต้องเริ่มต้นจากการหยุดไฟในใจก่อนของแต่ละคนแต่ละคนความโกรธความเกลียดต้องทําให้ได้ยากนะต้องทําให้ได้เพราะว่าผู้ที่กออคํามไมสงบเนี่ยก็จะพยายามที่จะหาทางจุดไฟในใจคน ไอ้มาขึ้นมาคืนเขาหาทางจุดไฟในใจคนมุสลิมด้วยกันเองแล้วก็หาทางจุดไฟในใจของคนพุดคนต่างๆที่เหลือแล้วก็พยายามจุดไฟในใจให้เกิดขึ้นกับพวก OIC ชาวมุสลิมในต่างชาติทํำยังไงอ่ะก็ต้องพยายามยุยยให้ให้คนไทยใช้ความรุนแรงกระหน่าซ้ําเติมซึ่งกันและกันนั้นถ้าเราไปเข้าทางเขานี่เราก็จะเดินตามรอยศีลัรษะ นสันติวิธีสำคัญนะเพราะว่าทาไมจะสันติวิธีนี่ไม่รู้วจะจะไปลงเอยที่ไหนนะคือมันเหมือนกับคือบางทีเราทำร้ายตัวเราเองเหมือไข้หวัดน่ออะไข่หวันอ่องนี่ไข้หวัดน่องหรือโรคซานี่ทราบะ ไอปอดที่ถูกทาลายลงไปเนี่ยมันไม่ได้มันไม่ได้ถูกทาลายเพราะว่าไวรัส H5N1 นะนคนที่คนที่ติดหวังนกหรือไก่ไก่หรือไ ก, ไ ก, ไ ก, ไก่นกที่ติดหวัดนกเนี่ยเวลาคุณพาผ า, าดูเนี่ยโอ้โ ห, โหปอดปอดอวัยวะนี่เละหมดเลือดเต็มหมดเฉพาะแต่เฉพาะเฉพาะมนุษย์นะมนุษย์นี่จะเป็นเฉพาะที่ปอดปอดนี่เลือดเต็มไปหมด มันเละห ม, เหมดเลยยิ่งถ้าไก่ที่เป็นไข้หวัดนอร์นี่เขาบอกทั้งตับทั้งไตนี่เละหมดมันเล่นมันไม่ใช่เพราะเพราะไวรัสนะมันเละเพราะว่าภูมิคุ้มกันของเรานี่เล่นเล่นเองคือไข้ H I H I N N N เนี่ยมันจะมีคุณลักษณะคือมันชอบยั่ว ย, ยุ ก, กระตุ้นให้ภูมิต้านทายภูมิคุ้มกันเรานี่ออกมาแบบแบบแรงแรงแล้วภูมิคุ้มกันพวกน้นนี้มันทำงไงมันก็ ปล่อยสารเคมีไปทำลายเนื้อเยื่อเพื่อที่จะไปฆ่าไวรัสนะมันปล่อยสารเคมีทำลายเนื้อเยื่อเพื่อที่จะไปฆ่าไวรัสแต่ว่าปรากฏว่าไวรัสพังก็จริงเนื้อเยื่อในปอดก็พังไปด้วยมันเหมือนกับว่ามันนึกภาพออกนะเหมือนกับมีโจนเนี่ยมาจับตัวประกันในหมู่บ้านจับชาวบ้านหรือจับทหารเป็นตัวประกันในหมู่บ้านนะก็รั ฐ, ร, ฐรัฐบาลก็เอากองทัพมาแล้วทำไงฮะ เอารงยิ ง, ยงเอาเอาเอาเอารถถังยิงถล่ทมทั้งหมู่บ้านแล้วก็ส่งกองส่งส่งเครื่องบินปล่อยระเบิดมาทำลายเพื่อฆ่าโจร น, นะสองคนแต่ปรากฏว่าทั้งหมู่บ้านนี่แหลกนี่คือวิธีการของ HRN1 เนี่ยคือว่ามันยุยงให้กลุมิูการบอนทุนเนี่ยลุยเข้ามาแบบโกราผลแบบไม่มีสติ แล้วนี่คือวิธีการเดียวกับผู้ก่อความไม่สงบเลยคือมันใช้วิธีการเดียวกับ h อ้1ชยเอหนึ่งก็คือว่ายั U ่วยุให้ให้ให้กลุ่มผุ้กันเนี่ยเข้าไปทำลายและ h อ้1ชเอนหนึ่งเนี่ยมันเป็นกับใครรู้ไหมคนที่ตายส่วนใหญ่เป็นใครรู้ไหมคนประเภทไหนหรู้ไหมคนอายุไตนยี่สิบถึงสี่สิบคือคนในวัยชักกันเด็กและคนแก่จะมีโอกาสรอดมากกว่าคนวัยชักกัน ทำไมเพราะคนวายช ก, การที่ภูมิคุ่มกันมันแรงเหลือเกินมันเหมือนกับไว้ไข้หวัดเมื่อเมื่อปีปี 1,018 ที่ที่ ท, ที่ที่เขาเรียกว่าูที่สงครับที่ในยุโรปเนี่ยในตอนนั้นเนี่ยคนตายประมาณ50ประมาณ 50-100 ล้านคนช่วงสงครามโลกคที่1เขาพบว่าไข้หวัด h อช1เนี่ยกับไข้หวัด Spanish ฟรูเนี่ย วัดสเปนเนี่ยเหมือนกันเลยก็คือว่ามันจะยั่วยุให้คือคนที่แข็งแรงเนี่ยจะมีโอกาสตายมากกว่าคนมากมากกว่าเด็กและคนแก่นะเพราะว่ามันคนคนหนุ่มเนี่ยมันจะมีภูมิคุ้มกันนี่มันจะแรงมากมันจะมีพลังมากแล้วเนี่ยตอนนี้เนี่ยยิงยิ ง, ยงรัฐบาลเนี่ยยิงทุ่มเทกําลังในเรื่องของเพิ่มกำลังอาวุธเพิ่มกําลังทหารเท่าไหร่เนี่ย มันยิ่งน่ากลัวเพราะว่าผู้ก่อความไม่งมันก็จะหาทางกระตุ้นให้เราก็ไปถล่มเนี่ยแล้ว น, นี่คือคือคืออันตรายอันนี้เพราะฉะนี้มันเรื่องนี้มันเป็นเรื่องที่เราต้องช่วยกันนะต้องช่วยกันที่ทําให้ไม่ทําให้สาธารณมันเลวร้วายหรือไม่ไม่พยายามไปถักดันกระตุ้นสถาบันรับรฐบาลเช่นคารุนแรงหรือไม่เอาความสาใจขึ้นมาเป็นใหญ่ถ้าเรา เอาความสัจใจขึ้นมาเป็นเป็นใหญ่เ ม, มื่อไหร่พังเลยฮะเหมือนกับที่เราเคยปราบความนิ้จะปาบไม่ได้ที่เพราะเราใช้ความโกรธใช้ความรุนแรงเข้าปราบจนกระทั่งปาเปรมใช้นิโยบายคสวรรค์ทัสองสอ 3, ารนมันถึงทำให้สงบลงไปฟางดูแล้วมีความหวังหรือเปล่าพรุ่งนี้เราจะไปต่าง ได้แต่แต่คือส่วนหนึ่งเนี่ยที่ที่อยากคุยให้ฟังอันนี้ก็คือว่าต้อง พ, พยายามแยกประชาชนจากกลุ่มคนซึ่งใช้ความรุนแรงคือตอนนี้มันเป็นความคิดแบบเหมารวมว่าคนภาคใต้เนี่ยไอ้คน3จังหวัดเนี่ยเป็นคนโหดร้ายเปนหมดใช่ไหมฮะดังนั้นมันก็จะมีปัญหาเวลาที่ปฏิบัติต่อประชาชนที่นั่นก็จะเป็นแบบนั้นไปด้วยนี่มันต้องแยกออกจากกันใช่ไ แล้วแล้วจริงๆคนที่นี่ไม่ใช่ว่าทำอะไรไม่ได้ถึงไม่ถึงไม่ไปที่นู่นก็ตามเนี่ยอย่างกรณีไอ s อสอะไรทั้งหลายแหล่เนี่ย <ทำ S 1> คือคือมันคือมันก็ต้องออคือมันก็ต้องควรจะมีคนอีกประเภทหนึ่งเนี่ยเข้าไปโพสต์ในทางที่ที่เป็นบวกเนี่ยด้วย อ, อ, อย่าปล่อยให้พวกซึ่งใช้ความรุนแรงเนี่ยใช้การแารงอยู่ตลอดเวลาเพราะว่าคือคนซึ่งเห็นด้วยกับสติวิธีสวยย่วนใหญ่จะเป็นพวกไม่ไม่แอคชั่น ใช่ไหมฮะแต่แต่ที่นคิดว่าตอนนี้ถึงเวลาที่คุณต้องทำอะไรบางอย่างน ะ, ะในในพื้นที่ที่ทาได้เพราะไม่ไม่งั้นเนี่ยความแรงมันจะขยายตัวมากมันจะเป็นปัญหาคนในพื้นที่บางคนบอกว่าเรื่องนี้เนี่ยจะแก้ได้ก็ต่อเมื่อคนสยามเนี่ยใจกว้างไม่เขาไม่พูดถึงรัฐบาลแล้วนะเขาพูดถึงคนไทยถึงพอแล้วม ได้เวลาแล้วมั้เพราะว่าเลิกะว่าจะลิกทุ่มครึ่งค่อยต่อพ่งนี้นะฮะยายถามอะไรอีกไหมครับ